จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเริ่มการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครอยากจะถามคำถามอะไรก็ขอเชิญเข้ามาถามได้วันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่เด็กตัวแรกก่อนเด็กที่อยู่ญี่ปุ่น ชื่ออะไรนะ NK นักคุณได้ยินไหมนักคุณกามนะมัสการท่านอาจารย์แล้วค่ะอ่ า, าอไหวยังไงไม่ค่อยสบายค่ะเพิ่งดีขึ้นจากน่าจะเป็นโควิดอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นทุกปีเลย <c oughs> อ่ก็พระเจ้าสอนให้ <c oughs> เดิน <c oughs> ตอนแองอยู่เรื่อยว่าเร า, <c oughs> เราเกิดมาต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล้มพ้นความเจ็บไข้ในป่วยไปไม่ได้นะธรรมดาไ่ย่าง้นเป็นก็เป็นรักษาได้ก็รักษารักษ า, าไม่ได้ก็ตายเป็นธรรมดาค่ะประสาทมีเท่านั้นชีวิตจะเอาไงกับมาล่ะใช่ค่ะอาทิตย์นี้ก็มีบททดสอบแบบหนักหนาสาหัสเข้ามาอีกเหมือนเดิมค่ะผมเหมือนมัน เลเวลอัพเราเรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์อ๋ออันนี้ oh. ทนได้ใช่ไหมงั้นเอาใหม่อันใหม่เข้าไปลองดูซิว่าจะทนได้ไหมค่ะโอเคนักคุณเป็นยังไงโอเคนักคุณนัก ค, คุณงองแงเหมือนกันค่ะเป็นที่ oh. นักคุณเนี้ยแหละค่ะที่ทําให้แบบ hmm. เอ่อเขาเรยกอะไรคะเป็นห่วงแล้วก็ทุกใจเรื่องสงสารเป็นเพราะความสงสารนะคะ อม่เดียวคนทำไมไม่สงสารคนมัสงสารมันก็ต้องไม่ทุกกันเลยนั่อะไรสิคะสงสารันดูแลก็ไปแต่ช่วยเหลือเาไปค่ะอ่า ส, สงสารต้องทุกข์ก็แสดงว่าสงสารแบบกิเลส น, นะอ๋ออันนี้คือกิเลสความสงสารนะคบสงสารแบบยึดติดคนอื่นสงเสงสารคนอื่นเรเห็นไม่เห็นทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักใช่ไหม คนน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็สงสารเขเหมือนกันคุณเดี๋ยวอาจารยจะปิดนะอแต่เราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมค่ะพระอาจารย์อ๋ออันนั้นก็เป็นกิเลสเหมือนกันอันอันนั้นถือว่าเป็นกิเลสไหมคะพระอาจารย์ความสงสารคุามรู้จักอะคะ่ะถ้าไม่ทุกก็ไม่ถ้าไม่ทุกก็ไม่เป็นกิเลสถ้าทุกข์ก็เป็นกิเลสอ๋ออ่าเมื่อเมือมอม่อคืนนี้ยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่า โดนบททดสอบใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกจิตใจมันเหมือนไม่มีสติเกือบจะควบคุมสติไม่ไหวก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะนั่งสมาธิได้หรือเปล่าพอลองสวดมนต์เสร็จแล้วลองนั่งดูปรากฏว่าแป๊บเดียวทั้งๆทงี่เราคิดว่าเออคงไม่ได้อะไรหรอกปรากฏว่ามันเข้าไปในสมาธิแบบนิ่งแล้วก็ว่างแล้วตัว่อยคือแบบตกใจแบอบกกลัวมากเลยคะ่ะว่าเฮ้ยทไมมันเข้ามาทีเวลาเราตั้งใจมันไม่เกิด อะไรขึ้นเลยอะค่ะอาจารย์นั่นแหละความตั้งใจมันไปขวางไว้ความอยากมันควางไว้อย่าไปอยาก<อ>ทำทาตามหน้าที่ไปค่ะตอนแรกคิดว่าถ้าเราจิตใจว้าวุ่นอยู่หรือว่าเราดูเหมือนแบบไม่พร้อมแล้วอเออนั่งสมาธิมันคงไม่ได้สมาธิหรอกมั้งแต่ปรากฏว่ามันมันเข้าไปแล้วแบบนิ่งเงียบสงบอ่นั่นแหละทำอะไรอย่าไปอยากทาไป ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยิ่งที่ว่าไม่ได้มันกลับได้ค่ะแปลกใจมากเลยพอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทํำยังไงดีแล้วเราจะควบคุมสติได้ไหมคือว่าก็นั่งพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆจนมันนิ่งสงบค่วะวอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะอ่า น, นะพยายามฝึกไปเรื่อยๆเป็นที่พึ่งทางใจใจทุกอย่าไม่สบายก็อย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินยาอย่าไป ค่ะค่ะพระอาจารย์ช่วยได้มากเลยค่ะทำมาโอสจริงๆค่ะอาจารย์ได้ทั้งกายแล้วก็ใจค่ะบโคโอเคค่ะกลับเอาก็ตนค่ะอ่สาธุไปที่น้งตะวันก่อนนะตะวันาเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตวัน่าจครับเออว่าอย่างไรครับวันนี้ไม่มีคำถามครับแค่รายการนี่ ทำไมาบ้นั่งสมาธิทุกคืนหรือเปล่านั่งสมาธิเอ่อทุกวันสองครั้งครับทุกวันเสาร์อะไรสองครั้งสองครั้งทุกวันวันละสองครั้งใช่ครับอือเราดีไม่ใจสงบไหมใจเย็นขึ้นไหมรู้สึกสงบเอ่อครับอืมเวลาใครก็ทําอะไรไมาให้เราไม่พอใจเราเฉยเฉยได้ไหมอืมได้ครับอ่า เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราต้องทำใจของเราเฉยๆอย่าไปอย่าไปกดไปเกลียด น, นะคุณแม่นนมีอะไรบ้ามีค่ะพระอาจารย์โยมมีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าถ้าถ้าโยมลองเปลี่ยนสมมุติให้คนอื่นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าโยมมองเขาว่า ใจของเขาพบของใจเขาอะค่ะมีอมีมีพบพบของใจเขาต่ํากว่ามนุษย์แบบเนี้ค่ะเพื่อที่ใจของโยมจะได้รอบยอมรับในตัวตนของเขาแล้วก็จะได้ไม่ทึงศาเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โยมสงสัยว่ามันจะเป็นกิเลส ต, ตัวมานะของโยมไหมคะพระอาจารย์แต่ว่ามันช่วยทําให้โยมปล่อยวางได้อะค่ะก็เลยสงสัยว่าเป็นมานะหรือเปล่า น, นะก็ดูที่ความจริงเนี่ยถ้าเขาทาบาปใจเขาก็ต่ํากว่ามนุษย์แต่ถ้าเขาไปทำบาปแล้วเราไปว่าเขาต่ํากว่าเช่นเขาอาจาอจะเป็น จะจะว่าเป็นมณะหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถใช้อุบายนี้ทําให้ใจเราไม่โกรธเกลียดเข้าไม่ทุกข์ว่าใช้ได้ค่ะโยมขอยกตัวอย่างได้ไหมคะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าบางทีโยมขี่จักรยานไปใช่ไหมคะมันเป็นทางจักรยานโดยเฉพาะใช่ไหมคะแล้วก็มี อ, มอย่างเช่นว่ามีเด็กอมีคนอย่างเงี้ยคะ่ะเดินตรงอทางจักรยานนะคะทําให้โยมเออขี่ลําบากแบบนี้คะ่ะโยมก็รู้สึก มันมันมันไม่พอใจแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่า mm hmm. พอผ่านไปสักพักโยมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าโยมไม่พอใจเนี่ยมันต้องมีอะไรไม่โอเคเกี่ยวกับเกี่ยวกับใจของโยมแล้วอะค่ะ mm hmm. ก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันเป็นหมาที่หมามันเดินมันเดินมาสามตัวติดกันอย่างเนี้ยค่ะโ mm hmm. ยมก็คงไม่ถือวษาเขาแต่ทําไมถ้าเป็นคนปุ๊บโยมจะไปเพ่งโทษเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โ mm hmm. ยมก็เลยมองว่าเออถ้ามันถ้าถ้าเป็นหมาเนี่ยโยมก็เลยไม่ไม่คาดหวังว่า ว่าหมาจะต้องรู้เรื่องใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าจะต้องเออนี่มันเป็นทางจักรายานนะมันไม่ใช่ทางเดินแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าเป็นคนปุ๊บโยมก็คิดว่าจะต้องรู้สิว่ามันกดระเบียบนะห้ามมายืนตรงนี้นะห้ามมาเดินตรงนี้คะ่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเขาคงไม่รู้เรื่องเหมือนมาแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยช่วยได้แต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมานะโยมหรือเปล่าอะคะ่ะ อ, อ๋อไม่เป็นหรอกก็เราก็ใช้รูปใบเรียดที่น <scare. S 1> ั่นไปค่ะค่ะพระอาจารย์ Mm hmm. มันมีมันมีหลายเหตุการณ์คล้ายกันแบบเนี้ยค่ะโยกก็บอกว่าเออถ้าลองเปลี่ยนเขาไปเป็นเอ่าเป็นหมาเป็นสัตว์แบบเนี้ยทําไมเราถึงไม่โกรธกลับไปเมตตาเขาอีกว่าเออเดี๋ยวจับขี่จักรยานไปชนมันอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนคนไงค่ะแล้วเป็นผู้ใหญ่มกักจะไม่ก่อนเด็กๆใช่ไหมเลี้ยงลูกเดเลี้ยงทางลบนี่เขาจะงองแงเขาจะอะไรเราก็ไม่ถิ้งซ แถ้าสามถ้าสามีมองงงงยงนี้เดี๋ยวมาโดนนะเจ้าค่ะอืเราบางทีต้องมองสามีมันเป็นเหมือนทานกอ่ะั่งกายเขาใหญ่นแต่ใจเขาอาจจะเหมือนเป็นทานรกอยู่ต้องคอยเอาจบต้องเอาจบกับใจต้องเอาของกับใจค่ะก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนสมมุติแบบเนี้ยมันแต่มันช่วยได้นะคะพระอาจารย์ มันก็มีเหตุการณ์อย่างอื่นคที่จามองประมาณเนี้ค่ะพระอาจารย์ทําให้เออช่างเข้าไปเหรอไม่ต้องไปสนใจเขาอะไรเงี้ยเพราะโยมอ่ะจะไปติดตรงที่ว่าเออเขาเป็นคนน่าจะรู้สิแต่จริงๆริงเราภูมิของใจเขาว่าอาจจะไม่ใช่คนก็ได้แบบนี้ค่ะเพื่อที่ใจโยมได้ยอมรับเขาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ได้ก็เป็นอุบายเป็นอุบายของปัญญาไปอืมค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ไปด่าเขานะคะพระอาจารย์ถ้าเปลี่ยนสมมุติด็เกิดอ่าอันนี้เปลี่ยนแก้ปัญหาในใจเราค่ะ อย่างมันก็มีมันก็มีอีกเรื่องนึงค่ะพระอาจารย์อย่างบางทีไปร้านอาหารหลายคนพร้อมกันใช่ไหมคะอย่างพนัก ง, งานเขาพักทุกคนเลยยกเว้นโยมแบบนี้ค่ะโยมก็มองว่าเอ๊ะทําไมโยมรู้สึกไม่พอใจถ้าเป็นสุนัรมามาดมกระดิ่งหางทุกคนเลยยกเว้นโยมโยมก็คงไม่ไม่คิดอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์นนีเน่ไงโยมก็เอ๊ะเออทำไมโยมต้องไปโกรธเขาด้วยเนาะทําไมถ้าเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งทําไมก็ไม่รู้สึกไรไม่ไรู้สึกอมีอาตาแล้วหละ อะไรนะคะพระอาจารย์เมื่อไปโกรธก็สนแสดงว่าเรามีอัตตาแล้วใช่ไหมคะอืมถ้าเราไม่โกรธก็สนแสดงว่าเราไม่มีอัตตาค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์มันก็ดีใช้ได้อุบายใช้ในใจของเรานะแต่เวลาพูดก<ต>ับคนอย่าปไปอย่าเป อ, อย่าไปขอว่าพวกมึงนี่มัเป็นหมาทั้งนั้นนะเขาใชตัวเขาเก็บไว้ในใจอย่างเดียวค่ะดูแลเหยียบไว้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะค่ะก็ดีมีอะไรอีกหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกนะคเยเออพระอาจารย์คะเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์โยมฝันว่าโยมถูกยิงถูกยิงอะค่ะแล้วก็กําลังจะเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือรู้สึกในฝันนะคะรู้สึกว่ามันมีเลือดออกแล้วก็รู้สึกว่ามันตัวโยมมันอ่อนกําลังลงอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ในฝันน่ะมันก็คือรู้แหะค่ะว่ากําลังจะตายโยมก็ พยายามตามลมหายใจอะค่ะพยายามตามลมหายใจแล้วก็คิดว่าเนี้ยกำลังจะตายแล้วแล้วก็พยายามดูลมหายใจจนกว่ามันจะดับลงเงนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนั้นก็คือพยายามจดจ่อกับความรู้สึกแล้วก็คิดถึงว่าโอเคตายเนี้ยก็คือขอไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปทันทีพานอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือพยายามจะตายก็คือตายแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมไม่แน่ใจว่าจะเอาจะเชื่อถือตรงนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเกิดจริงๆโยมจะคิดแบบนี้ได้จริงๆริงเค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนที่มันเกิดในฝันเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝันไม่ยช่เออ๋อเห็นไหมค่ะอ่าเราเหมือนกับเราทําตามที่เราถูกฝึกมาที่เราเรียนรู้มาวิธีทําใจการปฏิการเหมันก็ดีก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะพระอาจารย์ทีนี้ในฝันมันไม่เจ็บโยนมคิฟเอ๊ะถ้ามันเจ็บเนี่ยโยนจะได้จะได้รู้ว่าเออในฝันปุ๊บถ้ามันเจ็บขึ้นมามันจะ จะจะไปต่อยังไงแต่มันไม่เจ็บแต่ว่ามันรู้ว่าคือมันกมันจะตายแล้วมันอ่อนแบบอ่อนกําลังลงแบบนี้คะพระอาจารย์เค่นั้นก็ไม่สำคัญบางทีมันไม่เจ็บก็ได้เนื่อเราไม่ได้ไปคิดถึงความเจ็บต่นนั้นแล้วคิดถึงแต่ความตายค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดคิดแบบนั้นจริงๆตอนตายอันนี้คือก็ก็มันมันก็คือยังไปสุปติใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้พอประเมินได้ใช่ไหมอย่างนั้นมันก็สงบมันก็ไม่ทุกข์จนจะไปชั้นไหนมันก็แล้วแต่แล้วแ น้าแต่เราปฏิบัตินานขนาดไหนป้าอาจารย์อาจจะไปโซนานก็ได้โซนานก็ไม่ทุกข์กับความตายออแอ่ยังอาจจะไม่ไปถึงอนนาคาเพราะยังอาจจะยังไม่ได้ไปละกามาราคะอวันนี้ต้องฝันอีกแบบหน<อ>ึ<อ>่งฝันว่าไปเห็นใครนานละ <laughs> <laughs> แล้วก็เห็นเขากลายเป็นซากศพไป <laughs> อ๋อเห็นขนาดไหนป้าผศ เรื่องเห็นสรุปเคยเห็นแค่ครั้งเดียวเองค่ะพระอาจารย์ตอนปฏิบัติที่วัดปาหนองแซงอะค่ะเด็นเห็นเป็นหน้าสดครั้งเดียวเองค่ะก็นึกขึ้นมาบ่อยๆเอา่าพิจารณาบ่อยๆนภาพที่เราเคยเห็นมาค้นอยู่บ่อยๆมันจะได้มันจะได้ฝังฝังอยู่ในใจค่ะค่ะก็คือให้เอาเป็นอารมณ์ใช่ไม่ต้องไปรอให้เขามาโผล่ให้เราเห็นเราต้องมี็นคนสร้างเราต้องพยายามเอารูปเหล่านั้นมามามอง เรามองบ่อยๆมันก็จะฝังในใจเราแล้ววันดีคืนดีมันก็ถึงเวลาเราจะใช้มันมันก็ผงขึ้นมาแต่ ถ, ถ้าเราไม่มีภาพฝังอยู่ในใจถึงเวลามันก็ไม่ผล่ขึ้นมาค่ะค่ะผาจานอืมโอเ ค, คปฏิบัติมานานหรือ ย, ยังไม่ถึงโยมใช่ไหมค ะ, ะสิบสิบตั้งแต่ ตอนอายุตั้งแต่สามสิบตอนอายุสามสิบสิบสองปีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือครั้งแรกที่โยมสนใจปฏิบัติเพราะว่าพี่ชาย น, นําหนังสือเรื่องหนีนรกมาให้ค่ะพะออ่านครั้งแรกปุ๊บโยมก็รู้สึกกลัวเลยค่ะพระอาจารย์เริ่มรักษาสิ่งห้ามาแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อนั่งสมาธิอะไรทำเท่าไหร่ตอนนี้จะเน้นดูถดูความดูอารมณ์แบบนี้ค่ะพระอาจารย์ดุกิเลสอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ทมอานานปนสติค่ะพระอาจารย์โอเคตอนี มีท่นี้ใช่ไหมมีท่านี้ค่ะพระอาจารย์เออพระอาจารย์เคาโยมมีคําถามของเจ้าตูรีก็ค่ะพระอาจารย์คือเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาชอบดึงขนคิ้วแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าเขารู้สึกอยากโยมก็เลยบอกว่าให้หนูลองทนความอยากไปดูซิตั้งเวลาไว้ว่าเวลาอยากดึงขนคิ้วแบบเนี้ยมันอยากกี่นาทีพอตอนแรกเขาไปดึงดึงมันใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็พอเริ่มฝึกว่าทนความอยากไป บางทีผ่านไปสินาทีปุ๊บมันไม่อยากแล้วเขาก็ตอนนี้คือเขาก็เลิกดึงแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาทนความอยากได้แล้ความอยากมันหายไปเองแบบเนี้ยค่ ะ, ะาอาจารย์เขาก็เลยเลิกทําก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ทําตามความอยากสักพักนึงความอยากมันก็จะมันก็จะหายไปค่พระอาจารย์ ก็ไม่ได uh, ้ดูไม่ได enfin ้เล wow ่นเกมมาหลายเดือนแล้วค่ะภาษาเนี่ยจนเพื่อนเขาก็เริ่มเริ่มไม่เล่นเกมตามแล้วค่ะเพื่อนเขาก็เริ่มสนใจไม่เล่นเกมตามแต่ก็นอาคอยระวังถ้าเกิดความอยากเล่นขึ้นมาก็อย่าประมาทอย่าคิดว่าเล่นหนเดียวไม่เป็นไรไม่ได้ก็เลยก็เลยไปเลยเดี๋ยวพอแล้วแล้วใหม่หนมีหนนึ่งเดี๋ยวก็มีหนที่สองตามมาหาแล้วทา เวลานื่อยากจะเล่นเกมก็ไปหาหนังสือมาอ่านก็ไนลนะ้วห า, า, าความรู้ดีกว่าอาอยู่ที่ฮอลแลนด์มากี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่ปีสองพันสองพันสองพันแปดค่ะอาจารย์สิบเป็น้าปีแล้วเ่ปีเจ้าค่ะอืมแต่ตัวนั้นยังไม่เกิดนะยังไม่แตะแล้วก็มีมีแฟนมาสองคนแล้วค่ะอาจารย์นีอ คนแรกสิ้นไม่เสมอการก็คือว่าไม่ใช่ว่าโยมดีกว่าเขานะคะเพียงแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็คนนี้ได้ลูกได้ลูกคนเดียวเนี่แหละคนเดียวเหรอเข็ตแรกนีจะมีสองนะคะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ไหวเข็ดแล้วค่ะพอค่ะอืมถูกมากแล้วเป็นทุกเป็นภาระหญิงค่ะร่างกายเราก็เป็นภาระอันอันหนึ่งแล้วแปลภาระคนหนึ่นมาแบ่งใช่ค่ะคุณรอบค้างนี่ก็ยุกมากเลยค่ะมีอีกสักคนหนึ่งไม่ไหว เธอไม่ได้มาเลี้ยงค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนตั้งเ้าเลยนะอมใช่ค่ะติดตั้งโอเคขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ติดตามีอรไรก็มาเล่ามาปรึกษากันนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอ่าไปที่จ่าแม็กับเจตีรอรับนัดการพระชุมครับเป็นยังไงเมื่อกีนนี้จาตีทำไมถึงเข้ามาคนเดียว อยากทดลองเข้ามาคนเดียวครับทดลองทําไม <c oughs> เพื่ออะไรไมีเหตุผลอะไร <c oughs> อยากจะรู้ว่าทําองไรได้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับธรรมดาใครเป็นคนทำจำแม่เด้อเวลาเข้าซูมนี่ใครเป็นคนทำจำมาครับจำแม่เด้อต <c oughs> ั้มใส่พัดเวอร์ไอ้คับ อมันนี้ไม่ต้องใส่พันเุ์นี่มันเป็นแต่คลิกเข้าไปที่เล้งบนแล้วเข้ามาโอเคมาไงส่มกมารบ้านนะใช่ครับมาม า, มาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไ ป, มมปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เราต้องทความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่เราจะต้องพัฒนาจากของนักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของการลนั้นจสิไปเราทั้งหลายคนทิจรารณ์อย่างนี้ทุกวันทุกคนเอิดธรรมะผทนี่สําคัญมากนะถ้าเราเข้าใจแล้วยอมรับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์นะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์เวลาล่างกายจะตายเราก็ไม่ทุกขนะ์พยายามเกื้อใจตัวเอ ง, องเรื่อยๆพยายามพยายามรับความจริงนะ โอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับตับผื่ไตปอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสร็จน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหนียน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำเปลาข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำเฉลดน้ำดีเพี้ยงใ้สมองศีระอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยจใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้าเลียในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อันังตาเนครับ ก็คือก็คือพ่อของเพื่อนจำมาตัดครับเออเขาเสียครับแล้วก็วันก่อนก็เลยไปงานศพครับแล้วก็เห็นลรงไม่กลัวครับไม่กลัวเลยก็เห็นลรงศพก็คิดในใจว่าเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาครับต้องไปนอนอยู่ในโรงครับเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนไม่กล้าไปงานศพใช่ไหมก็ไปครับพราะ ส่วนไห่ไปตอนที่เด็กๆยังไม่รู้เรื่องครับอายไม่รู้เรื่องนี่เวลาเห็นศพเห็นลงศพก็บอกนี่นี่คือบ้านของเราบ้านสุดท้ายของเราครั บ, รบเรลาต้องย้ายออกจากบ้านนี้บ้านเราไปอยู่บ้านสุดท้ายอ่าบกคนไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะนครับ พยายามเตือนตัวเองอยู่เรือเ่อยๆนะคชีวิตของเราก็มีแค่นี้อนะ่ะเกิดแก่เจ็บตายถ้าใจเศร้าก็ตัองนั่งสมาธินะนั่งสมาธิครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพยายามนั่งทุกคืนนะัสมาธิครับ เดี๋ยวไปที่เด็กอีคนก่อนไปหาเป็นอนะจีรามเมนาะต้นน้าได้ยินไหมครับชื่ออะไรบันไก่อนอ่าพูดได้ไหมได้ยินครับอ่า อ, อายุเท่าไหร่ครับสิบสองครับอ่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอ่เาเล่าใครบอให้เข้ามาห่ปะป้าหน่อยครับหน่อยไหนละ่ะ ชายานิดหน่อยครับชายานิดหน่อยนะเป็นอะไรกันนะเป็นป้าเป็นป้าครับป้าเขา อ, อยู่กรุงเทพไม่ใช่ใช่ครั บ, รบอ๋อแล้วมีมีหูมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับแค่เข้ามาฟังธรรมครับฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคนะอันนี้ก็เป็ น, เหนห้องเรียนนะวิชาธรรมะนะวิชาฟันิสตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ย ฟังไปเรื่อยๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับโอเคอาทางนี้ก่อนนะเไี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ครับโอเคฟังไม่ต่อนะครับอืมอ่าคุณหมอไม่เช่เชื่อเด็กๆหมอเนี่ยบรับลำสุขาลพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสถานภาพของนักบุญนักบวชได้นักปฏิบัติ ธ, ธรรมครับพระอาจารย์นักบุญก็พวกที่ทําบุญทําทานเนีย่ยถึงรเรียกมันนักบุญนักบุญนี่เขาก็จะไปแสวงบุญนาำที่ต่างๆัที่ไหนมีผ้าป่าที่ไหนมีกรถิ่นที่เนีย่ยบางคนช่วงกระถินเนี่ยต้องต้องแวะทอกรินหลายๆวัดจะได้บุญเยอะ เราก็ถิ่นนี่เป็นมีมีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเราไปสวงบุญไปทำทานด้วยวิธีการต่างๆในบางทีก็บางคนก็ไปที่อ่าที่อินเดียก็ไปงานสแสวงบุญสวงความศรัทธาให้มั่นคงการได้ไปกราพบพระพุทธพระธรรมสถานที่พระเจ้า ประสูตัสลุบิะนิญิพานก็จะทำให้ความศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ไม่สั่นกรอนทำให้เกิดวิริยะเกิดความพาดเพียรขึ้นมาที่จะทำต่อไปอันนี้คือนักบุญนักบุญส่วนใหญ่ก็ยังยังจะไปชอบไปตามที่ต่างๆอยู่แล้วก็ ก็จะทำบุญรักษาสีห้าเป็นพื้นฐานนะครับอันที่สองก็จะได้ตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาไปบุญบนสวรรค์หกชั้นด้วยกันจะไม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะไม่ได้ทำบาไม่ทำบุญมากกว่าทำบาปนะจิตสุดท้ายบุญกับบาปก็จะมาจัดการกับดวงวิญญาณบาปมีกำลังมากกว่ า, าบาปก็จะเอาไป บุญในกำลังมากกว่าบุญก็ออาไปอนนี่คือเรื่องของนักบุญ น, นักบวชก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนักบวชก็หมายถึงหมายถึงพระภิกษุงี่ก็เป็นนักบวชพวกนี้ก็จะบวชแล้วก็อยู่ตามวัดวารามต่างๆเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมตาม ต า, ตามขั้นตอนบานตอนก็นศึกษาทําให้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรมากเมื่อรู้แล้วก็นําออกไปปฏิบัติเนี่ยส่วนนั่งปฏิบัติทำก็เหมือนกันก็เป็นพวกอาจจะเป็นพวกอาจจะเป็นศรัทธายาติโยมนี่ก็ได้อุบาสกภุบาสิกาที่ยังไม่ได้บวชแต่สนใจกับการปฏิบัติก็ไปศึกษาหาความรู้จากกูบาอาจารย์ต่างๆ แล้วก็พยายามเอาไปปฏิบัติปฏิบัติที่บ้านบ้างมีโอกาสก็ไปปฏิบัติที่วัดนอ่มเองก็นักปฏิบัติทำมีอะไรนะ ค, ครับมีสรุปสิ่งที่มีท่านนี้ไหมมีของครับเขก็มีจุดที่ยังสงสัยอยู่คืออย่างญาติโยมที่เป็นนักบวชที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้โกรธหัวไม่ได้อนุ่งห่มอะไรเงี้ย เป็นนักบวชได้ไม่เป็นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบการโกนหัวแล้วก็การนุ่งนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่ง เ, งเงนื่อเหลืองอะไรเนี้่มันก็เป็นเพียงเครื่องแบบแสดงให้สังคมก็รับทราบว่าเราเป็นนักบวชเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขา แต่ ต, ตัวที่จะตัดสินว่าเป็นนักบวชจริงๆก็อยู่ที่ใจใน็นรักษาศีลของระดับที่ตอนนั้นรักษาตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปรักษาศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองยิบเจ็ดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักบวชในระดับหนึ่งฮะแล้วก็ถ้าถ้าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติครบเครื่องมาตทับปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพวกนักบวชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะไปสังคมไปทำบุญกับที่ตา่างๆพราเห็นว่ามันเป็นการลดกวนใจมากกว่าก็เลยไม่ทาหรือว่าถ้าทำก็ทำแบบง่ายๆโอนเงินเข้าบัญชีหรืออะไรไปทำานอางานแล้นก็ ถ้า ม, มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำํำน่าจําเป็นจะต้องเก็บเันไว้สําหรับเน้ยงดูตันเองเราไม่ต้องทําอันนี้ถ้าปฏิบัติอยู่ที่บ้านนอืบางคนก็ไปอยู่ที่วัดก็มีไปอยู่ที่วัดแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับพระแต่ยังไม่บวชเพราะยังต้องมีภาระทางบ้านอยู่บางทีเดือนนึงต้องกลับไปดูแลบ้านครั้งสักครั้งหนึ่ง ที่มนเขานี่ก็มีโยมอยู่คนหนึ่งเขาก็ทำอย่างนี้ทุกเดือนมาอยู่ทั้งเดือนแล้วพอสิ้นเดือนก็ขอลากลับสามสี่วันแล้วก็กลับมาใหม่ทำมาเป็นหลายปีนะแต่ก็ยังไม่ได้บวชแต่ก็ยังก็มมความมุญสหาหะทำบุญทาทาน ท, ทุกวันขับนู้นลงมาใส่บาตรแล้วก็แล้วไปไปสุด ไห้นาประทานอาหารตามลำพังของตอนเสร็จแล้วก็ขับรูกลับขึ้นเขาไปให้ปฏิบัติต่ออันนี้ก็ได้มัน น, นักปฏิบัติ ท, ทํามันมีหลายหลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่ว่าจะเลือกเอารูปแบบไหนที่เหมาะกับตนบางคนก็บวชเลยบวชก็เป็นพระหรือเป็นแม่ชีไป ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมความปรารถนาซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าถ้าบวชได้มันจะดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเหมือนส่วนย่อยของของของการปฏิบัติเนะ่ยบวชแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาระดูลทรัพสินสมบมติเ ข, ข้าของเงินทองอะไรต่างต้องไปบวชอยู่กับที่ถ้าบวชบุญพระเขาก็จะไม่ให้เอาเงินติดตัวไป เอแค่ okay. บริการแปดไปแค่หนึ่งคือทัพย์สมมาชมพอะพามีทรัพแล้วมันจะมันเป็นเรื่องกังวลใจครับ ม, มีอะไรไหมที่อยากจะถามอาจจะไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนก็เขาเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์เรื่องว่าถ้าปฏิบัติทมสามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างก็เข้าใจมากขึ้นมากเลย มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนุ่มขาวหอมขาวหรืออะไรนะอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเรามีศีลหรือเปล่าแล้วเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิปัญญาหรือเปล่ามีเวลาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้เข้าออเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะการปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีใครสอนอาจจะหลงท า, างได้หรือไม่อ่านหนังสือก็ไต่วีดกโอก็ตามมันก็ยัง ไม่ละเอียดพอหรือมีส่วนลายส่วนที่ไม่ได้มีสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกฉนูบายวิธีต่างๆแต่บอกบอกบอกบอกขั้นตอนอันนั้นเองแต่วิธีที่จะเจริญสติเป็นยังไงวิธีที่จะาากินอาหารกินอาหารมือเดียวทานมือเดียวลองนี่มันมีอุบายที่จะช่วยได้ช่วยการปฏิบัติได้ เราไปอยู่กับผู้ที่เขามีประสบการณ์งกบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเพราะว่าก่อนเมือ่อก่อนที่ยังไม่ได้มาศึกษานี่ก็ไม่เข้าใจเลยว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรอืการทําบุญหรือว่าอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงดังนี้ก็ทําให้เข้าใจได้มากขึ้นมากเลยครับ น, นีบสาธุคุณหม อ, หมอเป็นนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านใช่ไหมกับปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์อ ก็อยู่ที่เราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยท่านที่จะเป็นตัวกําหนดผลถ้ากําหนดถ้าปฏิบัติมากผลมันก็จะได้มากได้เร็วนถ้าปฏิบัติน้อยผลมันก็ได้น้อยนั่นก็ช้านีต่ตองมานไป็นปฏิบตัติสาธุจรัสดรคุณครับไอรที่คุณสาธการชัยนาถความธํามทวารจารไม่มีอะไร ไม่มีอะไรนะพี่แหล่ไม่มาลบคนใจนะอโอเค <c oughs> คุณนอนอนะน้องน้าวสัา์นะอาจานสัปดาห์นี้ไม่มีคำถามค่ะแต่สงสัยนิดนึงก็เพราะใครๆชอบพูดถึงความฝันโยมเป็นคนที่ไม่ฝันเท่าไหร่อะนะั่นสังเกตตัวเองมันก็ไม่เห็น <c oughs> บางทีบางคนก็อาจจะไม่คิดมากมันก็เลยไม่ฝันบางคนก่าคิดมากื่าจะฝันอาจจะนานฝันเท่ยอะไรทำนนี้มากมากเลยครับท่านปกติก็เลยพอหลายๆคนเล่าความฝันนี้ก็เลยเอ๊ะหรือเราหรือจริงๆอะไรเราปฏิบัติไม่ถูกหรือเปล่าเราถึงไม่มีความฝันมันมันไม่จําเป็นนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอืม อาจจะถ้าไม่คิดเพราะว่าบางคนบอกว่าเวลาเราเราคิดมากเก็บไปคิดบางทีมันก็กลายเป็นความฝันก็มีอมไม่ฝันนี่ก็มีใช้อยู่สองอย่างอาจจะขี้เกียจนอนดีกว่าขี้เกียจคิดไม่ใช่ชอบคินมากมารที่สาวก็คืออาจจะได้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อฝันนอนกที่นี่ไม่มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ความแล้วก็ที่สิง่งก็พยายามปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเห็นว่าพอปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าสมาธิก็จะเข้าได้เร็วขึ้นนะท่านคือสงบได้เร็วขึ้นปฏิบัติสติก่อนนะก่อนจะเข้าสมาธินดาอาศัยสติใช่แล้วระหว่างวันก็ก็กลับมาใ ช, ใช้พุทโธหรือจริงๆระหว่างวันพยายามพยายามเจริญสติอย่างที่ท่านสอนนะคะไว้ตลอด <ๆ S 2> เวลาที่มีอะไรต้องคิดก็ก็บริกรรมไว้พุทโธพุทโธก็ทำให้เข้าง่ายง่ายมากขึ้นจริงๆค่ะ พยายามทาไปเรื่อยๆให้สติมันต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะอช่ค่ะก็เดี๋ยวเดือนนี้ช่วงกลางเดือนก็จะลองขึ้นไปที่ที่ที่วัดท่านนะคะไม่เคยขึ้นเพราะว่าเป็นวันเดือนเกิดก็เลยอ้าขึ้นไปปฏิบัติทําในเดือนเกิดเพื่อไม่ต้องกับก็ดีเราลองดูไปว่ากิเลสเราแรงไม่แรงยังไง ค่เพรา ะ, ะถ้าเราไม่ได้ไปขันมันเนี่ยมัน ม, มันมีข้อเราไปทําธุรานู่นทำธุระนี่ก็เลยมันก็ออกมาได้แต่ถ้าเราไม่มีธุระอะไรให้อยู่ออกับที่เฉยๆมันก็จะงดูว่ามันมันจะออกหรกแพงเรือไม่ได้ค่ะก็ลองดูค่ะท่านเพราะว่าน่าจะน่าจะได้เรียนรู้คิดว่าน่าจะเป็นการได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาด้วยค่ะจากการขึ้นไปอ่า แล้วก็มันจะทําให้เห็นเห็นสถานที่ที่สงบนี้มันช่วยให้จิตใจสงบได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นด้วยอืมดีค่ะก็วันนี้โยมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ไปเรื่อยๆค่ะอ่าต้นปานอันนี้อย่าอย่าอย่าเริกนะถ้าเริ่มแล้วต้องไปให้ถึงถึงฝั่งก่อนถึงจะหยุดไหว้ได้ออกมาแล้วตอนนี้อยู่กลางน้ําถ้าหยุดดีเดี๋ยวจมอ่าใช่อ่านะ ต้องต้องวอดัดไปรื่อใช่ <laughs> ได้คะ <laughs> ่ะอาจารย์ก็อ่านหัสการค่ะอาารยไปที่แม่น้ำเหแม่น้ำเลยการมัสการ์ดค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ช <c oughs> ัดเจนเลยจ้ <c oughs> สาสาธุค่ะข่าวพระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะของหนูก็ก็ ตอนนี้ก็คือดูตัวเองไปเรื่อยๆเจ้าข่าพระอาจารย์รักษาก็ดูรายร่างกายพระอาจารย์ก็เหมือนคือรถหนูมองตัวเองอ น, นะเจ้าค่ะก็เหมือนลถมันพังแต่ก็พยุงให้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าข่าวพระอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มันยังมีได้ก็เอามาใช้ประโยชน์าให้เราไปถึงถึงสวรรค์ถึงนิพพานสาธุค่ะหนูก็เลย โอ้ถ้ายัางลุยได้ก็พอลุ ย, ล, ยลุยเลยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็ไม่แต่พอหนูสังเกตดูอาการเหนื่อยจากเดิมที่เป็นคนปกติใช่ไหมเจ้าคะ่ะกลับมาผ่าสมองเนี่ยหนูว่าผ่าสมองแล้วเรามาอยู่กับใจอะคะ่ะรู้สึกว่าจะแข็งแรงมากกว่าตอนที่ร่างกายปกติอีกเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ตอนช่วงช่วง ปกติก็จะแบบจะเหนื่อยง่ายแปบ๊บเดียวก็รู้สึกเพรียวปวดตรงนั้นปวดปวดตรงนี้เจ้าขาพระอาจารย์แต่พอมาปัจจุบันนี้ไม่ได้ห่วงร่างกายมากกลายเป็นว่าบุกอย่างเดียวเลยเจ้าขาพระอาจารย์ใจไม่มีพลังใจเบาใจปล่อยวาแล้วใจจะมีพลังเจ้าขาหนูก็เลยบอกโอ้โหพลังของการปฏิบัติธรรมสูงมากเลยเจ้าขะถ้าอยู่กับถ้าดูแลใจอย่างดีแล้วเจ้าขาพระอาจารย์ หนูก็เลยไม่อะไรกับร่างกายอยากเป็นอะหนูก็เลยมาดูคะ่พะพยาบาลเพราะว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะก็คือประสบการณ์ก็คือมีแต่ทุกมาหาที่โรงพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะหนูก็เลยมาดูตัวเองด้วยก็คือเป็นทุกโลคเหมือนกันเจ้าค่ะก็คือผ่าตอนตั้งแต่ขาถึงสมองอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็มาดูว่าแล้วสมองเนี่ยหนูก็เลยแบบว่าได้ผ่าทั้งเนื้องอกแล้วก็มีน้ําขัางแล้วก็ใส่อุปกรณ์ในสมองใช่ไหมเจ้าคะ หนูก็เลยดูว่าถ้ามีอุปกรณ์คือสมองเหมือนจะพังแล้วเนี่ยจุดไหนที่ดูแลร่างกายได้มากกว่าหนูก็เลยมองว่าอ๋อภาวะจิตใจเนี่ยแหละคะ่ะพระอาจารย์ที่สามารถคอนโซลคอนโทรโท ร, ร่างกายได้มากกว่าตอนแรกหนูเข้าใจว่าสมองเนี่ยควบคุมทุกอย่างใช่นม้อเ้าร่างกายแต่จริงๆก็คือจิตใจนะคะ่ะพระอาจารย์ถึง อ่าทําให้มีสติแล้วก็สามารถทํางานต่อได้เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมาว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนี่แหละเจ้าค่ะ mm hmm. ตอนแรกก่อนที่หนูจะผ่านสมองหนูก็ลดความก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะบ้านการตอนลดความหนูก็ไสแตกหลังหักสามทอนแล้วก็ก้กนกดแต่หนูนว่าผ่านไปแล้วบททดสอบนี้เจ้าค่ะพอมาต่อก็คือระบบสมองต่อเลยเจ้าค่ะผ่านเงี้งออกปิดกระโหลกไปสี่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็ลว่าโอ้ oh, เป็นพยาบาลนี้ นอกจากเจอทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ยังเจอทุกข์ของตัวเองอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยชีวิตก็เลยอยู่หลายโรงพยาบาลหลายจังหวัดเจ้าค่ะแล้วก็เลย mm hmm. ตั้งแต่ทําคลอดจนถึงพบป่วยเสียชีวิตแล้วก็แพ็คศพอะเจ้าค่ะปิดรูทวารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยะค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยมีอะไรกับพอเห็นศพหนูก็เลยคิดว่าหนูเห็นแล้วทําไมมันอร่อยเพราะว่าไปคิดถึงการทําอาหารเนอะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้กลัวศพ ตรงนี้อะค่ะเพราะว่าชินกับเห็นศพ บ, บ่อยๆเจ้าขาพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอก็เลยมาด้าตัวเองก็เลยโอ้โหเหมือนเหมือนดูตัวเองเหมือนแบบเป็นรถยนต์คันหนึ่งอ่ะเจ้าขาพระอาจารย์แต่ว่ารถรถรถมันถูกแล้วอ่ะเจ้าค่ะก็เลยไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าค่ะ อ, อยู่ได้ก็อ ย, อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปก็ไปมันไปเจ้าขาพระอาจารย์ โอเคนะมีอะไรัหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะโอเคเนไปที่โกเบญี่ปุ่นมุจุกกับนมันส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ยังไงมีอะไรหมไม่มีปันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะปฏิบัติพยายามปฏิบัติอยู่เสมอค่ะพระอาจารย์สอนหนูว่าถ้าตื่นขึ้นมาให้พุทโธพุทโธเลยจะได้มีสมาธิ ที่ทําได้ยาวนานขึ้นหนูก็ทําตลอดตัดมานไหมไม่ยากเลยใช่ไหมพุทโธไม่ยากเลยนะตื่นมานี่คือพุทโธก่อนเลยเจ้าค่ะอ่าดีพยายามอยากปล่อยให้ใจชินถ้าไม่จําเป็นต้องมีเรื่องให้คิดก็อย่าไปคิดนะเจ้าค่ะดีนั่นนั่งสมาธิได้ง่ายไหมได้ก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่หนูก็ไม่ได้หวังนะคะพระอาจารย์เพราะว่าพระ หนูว่าอย่าไปอยากอยากไปให้ได้สมอแต่ต้องทําเ้ั้นถึงวันนาก็ทําำส่วนจะได้มากได้น้อยอันนี้มันเป็นเรื่องของสติของเราเด้อค่ะโอเคนะขอให้ทําไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปหวังได้วันไหนได้ก็ดีวันไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําก็แล้วกันเด้อค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอ่า ไปที่อาจารย์สายทิพย์ต่ออาจารย์สายทิพย์ขอนแก่นใช่ไหมครักรรมวัฒการพระอาจารย์ตจค่ะอยู่พันแก่นค่ะอยู่บ้านสวนค่ะพระอาจาร <ขอ S 1> ย์ขอคุณพ่ณณณอสลับกันอยู่คนเดียวเลยอคนเดียวค่ะน่ากลัวไหมหนูอยู่แต่นี้ห้า <laughs> ไม่น่ากลัวค่ะ S <S แต่ร้อ น, <g ül> <ม>นอรอบรอบบๆข้างมีบ้านคนว่าแบบน้อยมีมมอ่ารอบรอบห่างห่างแบบมีติดมีบ้านคนอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็เป็นต้นอ่ามีมีอยู่มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอยู่ห่างห่ไม่ได้ยินเสียงอะไรกันใช่ไหม <S <S ไม่มีค่ะเพราะว่า ห, ห่างเขาเขาจะอยู่อีกมุม น, นึงแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสวนของเขาแล้วก็สวนของเรากาแพงติดกันนยค่ะเงียบเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ด้านข้างก็เป็นเป็นเหมือน บ่อน้ําของของหมู่บ้านแล้วก็เป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นคลองแทบจะไม่มีบ้านค่ะพระอาจารย์เงียบเราอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวค่ะสลับกับคุณพ่อ mm hmm. ให้คุณพ่อไปอยู่บ้านอ mm hmm. คุณพ่อว่าขออนุญาตวันพุธขอมาอยู่บ้านสวนค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คุณพ่อก็เลยถามว่าสัพเพยาคืออะไร mm hmm. หนูก็เลยว่าสัพเพยาก็คือไม่มีใครเดินมาทักหนูนี่แหละ mm hmm. อยู่บ้านเดี๋ยวก็คนนั้นกินข้าวไหมอะไรเงี้ยค่ะ เซลคุณพ่อค่ะพระอาจารย์สงบดีค่ะพระอาจารย์เหลือแต่ว่ายังยังไม่ได้เดินออกไปข้างนอกตอนเด็กตืดค่ะจะลองดูเลยหนึ่งเอาไปเดินอาจจะถ้าปวดท้องน้ำน่าระเบียงก่อนก็น่าค่ะถ้าถ้าปวดท้องห้องน้ําคงจะต้องเดินไปค่ะเพราะว่าห้องน้ําอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ห่างออกไปค่ะคุณพ่อสร้างไว้อีกประมาณเดินไปหลายก้าวอยู่ค่ะอด ทดสอบความกล้าความกลัวว่าอัะไรจะมากกว่ากันอาจอาจจะได้ออกไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์เราปวดท้องเข้าห้องน้ำ ม, มีวันหนึงหนูฝันได้ค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้บอกมีคนถามว่าฝันไหมฝันฝันว่าจะเหมือนได้จะใส่ชุดเหมือนชุดของพระเลยค่ะพระอาจารย์เอาขาเกล้าไปสองใสก็เลยร้องก็เลยว่าอุ้ยเร า, าก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะพระอาจารย์จะไปเป็นพิเศษวันี้ป้ะ <laughs> ไม่แน่ใจค่ะพอาจารย์แต่วันนี้ก็แซวกับคุณพ่ออยู่เพราะว่าคุยเรื่องสัปปะยะหลวงพ่อชาท่านบอกที่สัปปะยะเลยบอกเนี้ยต้องไปที่สัปปยายะถึงจะไปได้พ่อก็เรียกเราก็เรียกว่าให้หนูแดงให้หนูไปไหม <laughs> ห, นหนูชื่อหนูแดงให้หนูแดงไปไหมพ่อเอออยู่อยู่บ้านสวนนี่แหละ <laughs> ไม่ให้ไป <laughs> พ่อก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องดูแล <laughs> <laughs> พ่อไปด้วยใช่ไหม ก็ต้องดูแลคุณพ่ออยู่ค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็ไปนคดค่ยกันอีกทีเพราะว่าพี่ๆ ก, ก็โสดกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ก็ห่วงๆกันอยู่ค่ะ<ม>แต่ว่าก็มีบ้านสวนที่ทุกคนบอกว่าก็มอยู่บ้านสวนสี่อะไรย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากปฏิบัติอยู่คนเดียวก็<ม>ดีอย่านอนมากเลยคนนี้ไหนๆมาอยู่ที่นี่ <laughs> เอางานมาเมื่อกี้กําลังนั่งทํางาน๋ยวเลยค่ะพระอาจารย์มีที่ส่งแต่เสร็จงานแล้วค่ะคิดว่าปฏิบัติธรรมเดี๋ยนั่งสมาธิค่ะตอนนี้ตอนนี้วางงานแล้วค่ะพระอาจารย์เดีจะลองนั่งมากๆสักหน่อยเตียงคุณพ่อก็เป็นเตียงไม้ค่ะพระอาจารย์ไม่มีผู้เอาผู้คุณพ่อออกแข็งดีค่ะวันนี้มาลทรมานร่างกายจริงๆอืมค่ะแล้ว จะลองฝึกไปค่ะพระาอาจารย์ท่นอื่นหนูมีช่วงช่วงกลางวันเข้าห้องน้ำค่ะพระอาจารย์ตอนที่นั้นแล้วก็สิ่งที่มันออกไปเราก็ถามว่าอ ย, อยากได้คืนไหมไม่อยากได้นะแล้วก็ถามตัวเองค่ะพระอาจารย์ว่ามันเหมือนคิดว่าร่างกายเราเหมือนบ้านเช่าค่ะพระอาจารย์เรามีสัญญาเช่ากับเข้าประมาณแปดสิบปีส่วนที่เอามาเช่าจุ บ, บุญหมดบุญเขาก็ไม่ให้เช่า เราก็ต้องทิ้งทิ้งบ้านนี้ไปเราก็เลยคิดว่างั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะให้มันได้กําไรก็คือไปให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อตอนที่อยู่ในห้องน้ำคิดคิดประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมรจากพรหมไปเป็นพระระยะบุคคลจะพยายามไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ย ชื่อแม่ถอยนะทุกค่ะมีประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสันโดร์คุณยายคุณยายเป็นยังไงสบายดีหรือเอล่สบายพระอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนชื่ อ, อแล้วจากจากน้ำโมก็เป็นสันโดร์เลยนะจริงๆตอนนี้ก็สันโดร์ก็เป็น <laughs> ชื่อชื่อชื่อของผมแล้วครับแต่ว่า บางทีเข้ามาในสู่มาวราจารย์มันมันไม่ทันได้เปลี่ยนเพราะเวลากดลิ้นเข้ามาอืมนันเลยกลยมันมันยังคงอันเก่าก็อยู่ก็ต้องเข้าไปในสู่เปลี่ยนก่อนแล้วค่อยกดลิ้มเข้าครับวันนี้ก็เลยเข้ามาเปลี่ยนและกล่าวว่าคงเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านความเป็นนโมเข้ามาสู่ความเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดครับอาจารย์นว่า ครับพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระแค่มาส่งการบ้านพระอาจารย์เราก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องนะแต่ว่ามันก็จะต้องมีในเรื่องของการเรียนที่เรายังต้องให้ความสําคัญอยู่ครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ ท, าทําเท่าที่เราทําได้เราทําไปพร้อมกันว่ายังไงการปฏิบัติมันก็ทําไปพร้อมกับการงานได้อยู่แล้วถ้าเรามีสติถูกไหมครับพระอาจารย์ ก็คุณเป็นคนพูดเองเลยเนาะเออก็ต้องต้องให้ครูบาอาจารย์ยืนยันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปผิดทางคนระับอาจารย์้องพิสูนธ์ดูเย่ยถามที่ติด่อครับะ<ม>จะได้มีความมั่นใจเมืทุกอยาก่างทํอะไรทีก็ต้องมาถามดีใช่ไหมแต่แต่ยังระลึกถึงท่านอยู่นะคะดีจ้าเยันอย่างแรงนะ ค่ะข <Okay. S 2> อบคุณค่ะอยากอยากจะไปที่วัดยานมากเลยครับพ mm ่านรแต่ว่า mm hmm. ทุกคนเขาติด ง, งานเยอหมดเลย mm hmm. อบอกคุณยายเข้าซูมแล้วก็ฟังที่บ้านไปก่อนแล้วกัน mm hmm. ดูดูผ่านทาง Facebook y o ยูท b e ไปก่อนแล้วกันนะ mm hmm. อยากแล้วไม่ได้ทำมันก็จะทำให้เราทุกได้นะโอเคมีตอนนี้นะ ครับถ้ามีโอกาสก็จะไปกับอาจารย์นิรานกุลีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณค่ะอาจารย์ทักันกันนะครับขอบคุณพระอาจารย์นิเมตาค่ะคระอาจะจากพอนั่นจะเข้ามาไม่เห็นติดก็เข้ามาแล้วข่ามามาสัการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมคะ้อ่าพระอาจารย์เมื่อวันก่อนหนูดู อ่าเทปของคุณหมอวีและเห็นพระจันทร์พูดเรื่องไม่ทันยากแก้ปวดอ่าพระจันทร์เพิ่งไปถอนฟันมาเหรอคะไปสายคอนเพียม <ไป S 2> <า>อ่ะเป็นยัเงินท้าง<ะ>ัดฟันนี้ตอนนี้ปวดหายหมดแนละ้ววันห้าวันเหมือนกนะันเนี้ยก็หกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอให้เขาตรวจดูแผลตอนนั้นได้ดูแผลแต่เลื่อนไม่ไหลแล้วอาการปวดที่ฟันก็ไม่มีมีนิดน่ดไม่ไม่ถึงกับทามไม่เหมือนกับคืนแรกแบบ คุณที่สองเนี่อนแรกพ อ, อยาทาหมดฤิ์เนี่ยมันเริ่มแสดงอาการเต็มสุดแล้วก็มันก<ะ>็สู้ไม่ได้สู้อยู่เฉยๆหวามันเหมือนดูหนังมันดูเวทนาไปเหมือนหนังอลยค่ะก็ดูไปโสาธุหนูไม่รู้จก ในช่วงชีวิตนี้จะไปถึงจุดนั้นได้บ้างมที่สาวว่าจะดูมันได้ไม่น่าจะยากตรงไหนก็ไม่กินนั่นเองลองดูเคยไม่เวลาปวดหัวปวดอะไระไม่ไม่กินยาได้ไหมเราปล่อยให้มันเป็นน้าหายเองค่ะหนูก็ลองดูอยู่วันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผ่านมามันก็ มันไม่ได้หายสนิทนะนะคะแต่ก็รู้สึกเหมือนเหมือนมันจางลงไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแค่ว่าใจเราไม่ไปทรมานกับมันหรือเปล่าคือมันความเจ็บมันจะหายช้าหายเร็วนี้เราไปมันเราไปควบคุมมันไม่ได้แต่ที่สิ่งที่เราควบคุมก็คือใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันนะอือ่าอืมแล้วทีนี้วันเมื่อวันก่อนหนูดูเทปที่พระอาจารย์เทพน้าคูด่ะคะ่ะแล้วก็อ่า เหมือนระหว่างที่พระอาจารย์กาลังเทศอยู่แล้วเหมือนมีญาติโยมที่ไม่ทันได้ปิดโทรศัพท์แล้วมันก็มีเสียงเพลงโทรศัพท์ขึ้นมา uh huh. แล้วหนูก็แบบอ่าแล้วเหมือนพระอาจารย์ก็หยุดแค่ปั๊บเดียวแล้วเสร็จปะพระอาจารย์ก็พูดต่อจากจุดเดิมเลยหนูก็แบบทึ่งว่าหนูรู้สึกแวบบ่าเหมือนพระอาจารย์เหมือนแบบกดพอยวิดีโอแล้วก็กดเพลงอีกรอบแล้วแบบ คือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยยังไงก็สติหลุดแน่ๆค่ะทีนี้หนูได้แบบเห็นแล้วหนูก็สงสัยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเวลาพระอาจารย์เทศแบบเนี้ยค่ะคือพระอาจารย์จับสติไว้ที่ไหนล่ะคะถึงได้ถึงได้ยังคงอยู่ในสิ่งที่พูดไปแล้วได้แล้วก็ยังคงคิดต่อไปอีกว่าจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในความคิดสติอยู่ที่ความคิดและหยุดหยุดความคิดไว้เชื่อขราว แล้วพอเหตุการณ์สงบตัวลงแล้วก็พูดตอบไปนะความคิดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เตรียมช่องมาแล้วมันก็ไหลไปตามเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอะไรมันก็ต่อกันไปความคิดคิดเรื่องนี้มันก็จะต่อไปมันมีเรื่องที่มันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันอะไรพูดต่อไปตามตามเหตุการณ์่แต่ก็คือผมพัชร์ก็จับตรง สิ่งที่สิ่งที่เป็นความคิดของพระอาจารย์อยู่ก็ดูที่ความคิดเนี่ยเพราะความคิดเป็นตัวที่ออกหน้าออกตาไม่ใช่เ<ม>วทนาถ้ามันเจ็บมันปวดนี่ถ้าเราก็บางทีก็ต้องดูที่เวทนาแทนอยู่ที่ความคิดเนี่ยค่ะในนี้เรื่องสุดท้ายที่หนุดตั้งใจจะถามจริ ง, รงๆวันนี้ก็คือเรื่องของบาปบุญค่ะพระอาจารย์หนุ่ดจำได้ว่าเคยได้ยินว่าบุญคือความรู้สึกสุขใจแล้วก็บาปคือความรู้สึกทุกข์ใจแต่ว่า บาปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทุกข์ใจที่ทำร้ายผู้อื่นถูกไหมคะซึ่งก็คืออยู่ในหมวดนะสินห้าแต่ว่าถ้าสมมติการที่สมมติเราไปทำร้ายร่างกายคนอื่นะการทำร้ายร่างกายไม่ใช่อยู่ในข้อห้ามศีลห้าแต่เรารู้สึกทุกข์ใจแต่ว่ามันไม่ถือว่าเป็นบาปเหรอคะอาจารย์เป็นเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นตายเท่านี้อ๋อโอเ <Okay. S 2> คทําก็ให้เขาเจ็บนันก็มันก็เป็นบาปแล้เพียงแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยเท่านี้ อาสิบเปอร์เซ็เพราะฉะนั้นก็คือบาปอาจจะไม่ใช่จํากัดแค่สินห้าแต่ว่าก็คือทุกทุกการกระทําทุกคําพูดที่กปสทําความทุกข<า>์ให้ผู้อื่นกผู้อื่นก็ทุกข์ก็เสียหายหเดือดร้อนอืมโอเคค่ะไม่ว่าเราจะทุกข์ใจหรือไม่ก็ตามใช่ไหมคะเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนโรคจิตแล้วเรารู้สึกว่าการฆ่าคนไม่ใช่เรื่องบาปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ทุกข์ใจเราก็จริงแต่ว่าเราทำความเดือดร้อนคนอื่นก็จะจัดเป็นบาป เป็นการากชา้าก็เลยมันก็ต้องทุกข์ใจนี่พอ ม, มันได้ได้ได้สำนึกขึ้นมามันได้สติขึ้นมามันก็มันก็จะมันก็จะรู้ว่าใจมันทุกข์เข้าใจแล้วค่ะโอเคหนูมีแค่นี้ค่ะอาจ า, ารย์การปฏิบัติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามจะมีสติในแต่ละวันก็ดีฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆก่อนโดยเฉพาะ ข, ของของมอวีนี่เป็นางานเนคนคำถามเยอะนะ ค่ะหนูก็ชอบหนูก็เริ่มมาจากที่หมอวีเนี่ยะคะ่ะพอดีพี่สาวพี่สาวเป็นหมอแล้วเขาก็เหมือนวงหมอเขาก็แบบยงโยงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือหนูก็เลยรู้จักพระอาจารย์ต้นปีเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ฟังหมอวีแล้วก็มาได้ยินเรื่องซูมถึงได้เริ่มเข้าโอเคสาธุค่พะพย า, ายามปฏิบัติสตินะต้องต้องทำการความเข้าหน้าต้องฝึกสติไปควบคุม<ช>ความคิดอยู่ความคิด มันมันหยุดมันมันหลุดเร็วมากเลยค่ะอย่างเวลานั่งก่อนนอนอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็หนูก็พยายามนั่งทุกคืนก่อนนอนแต่ว่าแล้วก็ เ, <ร>เพยายจะนั่งแล้วลองฝึกก่อนที่จะมานั่งโอเค <laughs> ถึงว่านะคะ <laughs> ใช่แล้วถ้ามาฝึกก่อนที่จะนั่งมันก็มันก็ไม่มีกําลังพอใช่มันเร็วมากเลยค่ะพระจานทร์เ <laughs> นี่ยแบบเมื่อคืนหนูก็นั่งคิดว่าหน้าที่เราคืนนี้คือพูดโธอย่าหลุดอย่าหลุดแล้วมันก็หลุดแล้ว ก็หนูก็เลยแบบโอเคแล้วเวลาจวนเริ่มต้นให้เรารู้ว่าเราน้าเราต้องทําอะไรแล้วก็พยายามทําไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธินั้นเอาตั้งแต่รืมตาขึ้นมาอะไรเตื่นขึ้นมานี้ก็พูดโธไปเลยอันนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนอาบน้ํานั่งหน้าั่งไปแล้วก็พูดโทพูดโธไปอย่าไปให้มันคิดนะอ่าอย่างนี้เวลามันนั่งสมาธิมันจะมีสติมากแล้วมันจะไม่หลุดพูดโทมันจะไม่หล ค่ะมีจะพยายามขึ้นมากกว่านี้โอเคอันนี้ก่อนสาธุค่ะขอบพระคุณทีะอาจารย์บูพิไลก็ทำมองอาจารย์เป็นยังไงกรรมักสกรรมพระอาจารย์ค่ะในสัมผัธโลกกว้างมาเป็นยังไงบ้างไปตามกิเลสมากค่ะก็รู้ว่าเป็นกิเลสค่ะไปตามกิเลสแล้วถูกกิเลสมันลากไป ทิเลสก็ลากไปค่ะแต่ระหว่างทางก็ได้ปฏิบัติธรรมค่ะก็ได้เห็นสัจธรรมในสิ่งต่างๆรอบข้างค่ะดีเพราะไปมันเพราะว่ามันไม่ใช่มีจัดสุขอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องมีทุกข์บ้างนะกที่ไปค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสุขค่ะพยายามมองทุกอย่างมีสุขมาเบี้ยงมาหลังเบี้ยงเอามาสามสี่วันหลัง ก็ยังไม่ได้เลยะเจ็บเลยถึงถึงวาอละถึงเวลาสังข า, งขาลงรอโรยค่ะเดินมากอากก็เรียกว่าไป <S <S ไปเดินออกกำลังกายกันค่อนข้างเยอะค่ะอา <calculate. S 1> จารย์สบายดีนะครับอาจายสบายดี<ต> <S 2> <S 2> จะฟันไม่สบายพึ่งทำร่าฟันมูเหมือนกันค่ะแต่ไม่ทนเหมือนพระอาจารย์ค่ะ Mm hmm. หมอสั่งว่าัญญยากรเลยก่ทำหนึ่งเม็ดโอเคค่ะ mm hmm. กลับถึงบ้านทาหนึ่งเม็ดนะโอเคค่ะแล้วก็จบเลย mm hmm. ก็ไม่ได้ทานต่อเขา mm ํ hmm. ำรักันเหมือนกันค่ะคงไม่กล้า mm hmm. ทนคงคงยังไม่ถึงกล้าทนความเจ็บปวดหดือคว้เวทนาทั้งหลายก็ต้องฝึกไว้เพราะต่อไปมันต้องไปเจอเวทนาที่นรากินยานแล้วมันก็ไม่หาย mm hmm. ก็ยังไม่อย่างนี้คุณตอนนั้นแรงขึ้นแรงขึ้นใช่อืก็ก็ยังไม่รู้ว่สังขารเป็นยังไงนะคะอืเพราะว่าคุณลูกวงก็ต้องไปตรวจสังขารคือรีบไปตามกิจเหตุเที่ยวก่อนอยู่มีสังขารรอให้ตัวเด็กยหลายการอ่ารีบรีบไปถ้าเดี๋ยวไปต่อไปมันไม่ยอมไปแล้อไม่ค่ะ ค่ะแต่ว่าเราไปเราก็ไปก็ดูนะคะก็เห็นบ้าอย่างให้อย่างกายของคุณเวทีเห็นว่ากายเขาบอกว่าเลี่ยงแล้วเลี่ยงเลี่ยงอีกแล้วอะไรเนี้ยนะะก็กลับมา ก, ก็มาดูแลความเดี่ยงกันไปเบชนะทนได้เสมอโอเคค <Okay. S 1> ่ะต้อข อ, ขอขพระอาจารย์นะพระอาจารย์ทัดการแทงแรงค่ะอยากจะรีบไปกับนมัส ก, การพบพินิททัด วันวันไม่เกิดนั่นละค่ะวันที่สองพฤศจิกาปกติไม่เคยพลาดปีนี้ก็เลยเป่าเคกกันแถวนั้นนะคะอืตามที่ตามอยู่เลยครับนวัตการค่ะอ่าสาธุไปที่เชียงใหม่ยอดหญิงยอดหญิงนี่ชอบแมวมากนะทาแมวมาตั้งไว้ที่ข้งหลังอ๋อ ก็น้องอะคะ่ะหน้าเหมือนกันมากลูกแม่มแต่ว่าไม่ได้ชอบมากนะคะหลักหลักช้างมากกว่าค่ะนะาจาันจะบอกว่าถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะออบิ น, บ, นบินกับยังไงเรียกว่านั่งรถกลับบินกับเจ้าค่ะเมื่อวานตอนตอนสี่โมงเย็นถึงบ้านสวัสวดีภาพเจ้าค่ะแต่ว่าหนูมไม่ค่อยออกจากบ้านหนูเลยเหนื่อยมาก หนูก็หลับหรือหลับแบบสิบกว่าชั่วโมงเลยจ้ค่ะมี่มาด้วยกันนี่ก็เขาก็้ามาจากเชียงใหม่ทั้งหมดนะใช่เจ้าค่ะมีลาบรีสองสองคนค่ะที่ทำกล้วยตากเป็นคนุณน้าค่ะก็เขาดีใจมากได้เห็นพระจารยร์เทวที่น่านกุติค่ะแล้วก็ได้หนังสือที่คุณละจัดทำเนี่ยขอบคุณเขาิบไปแล้วมาดูด้วย มีอะไรไหมมีคือวันนั้นอบอกจอยให้เห็นจอยอยู่นึงวันนั้นเดินตามค่ะทรย์ดุ้งวะอยากเจอจอยอะแล้วก็วันที่ไปฟังเทศได้เจอน้องแจมกับน้องแตดดีใจมากอมนอกจากเจอพาาระเจ้รเลแค่ะแค่นี้ค่ะพระเจ้าหนูเป็นคนไม่มีอะไรอะอืม <laughs> ไม่มีอะไรดีที่สุดมีแล้วยุ่งเนะี้ยยังไม่มีอะไรดีที่สุดนะคะ โอเคงนั้นเป็นคนหนึ่งดานะมาตรการบ้าคุณหมอภาสนาเป็นยังไงมาตรการค่ะพระอาจารย์ก็ยังยังดูดูใจดูอารมณ์ตลอดนะคะพระอาจารย์ก็มันมันเห็นแล้วว่ามันก็คือแบบมันมันเฉยนี่หมายถึงว่ามันก็คือยอมรับได้หมดเลยยอมรับได้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรกับเท้าอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ยังสงบพระอาจารย์อืม ยังท<ช>ําตลอดนะค่ะอาจารย์ยอดี<ม>ได้ะรอย่าไปอะไรกับพระอะไรเฉยๆนะถ้าเฉยๆค่ ะ, ะมีดีมีชั่วสลับไปแล้วมันแล้วมันพอเราเราเห็นของเราแล้วก็เราก็เริ่มเออเห็นเห็นข้นางนอกก็เลยเฉยๆนะคะอาจารย์แต่เราก็จะับเข้ามาในในตัวของเราดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ กำลังลังหาช่องจะไปวาดนาพระอาจารย์เราดีช่วงนี hmm. like ้แบบว่าด ja> ูแลพออยู่ก็แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ไตลอดเพราะที่บ้านก็สัปยาพระอาจารย์แต่ก็เข้าใจอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามจัดเวลาไปไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เจ้าจ่ขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณโอพีเคภูเก็ตการักษากาพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่า ดค่ะพจ้าค่ะวันพุธที่แล้วลืมขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะขอออกไปก่อนเพราะว่าตั้งใจแต่ก่อนเข้าห้องทูงเจ้าค่ะว่าเอวันรุ่ขึ้นจะเป็นวันเกิดพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะน่าจะมีญาติธรรมที่จะเข้ามาตักพระอาจารย์เยอะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ได้คิวก่อนลูกก็จะขอออกไปก่อนแต่ลืมขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะอใครเข้ามานี้ไม่ต้องขอหรอกจะเข้าลูกจะออกไม่ต้องขอหเราไม่รับรู้ไม่สนใจเราสนใจอยู่แล้ว พูดกับคนที่ต้องพูดด้วยแทนเองส่วนคนจะเข้ามาจะออกไปเงนเราไม่ค่อยรับรู้ด้วยทำไงไม่ไม่ต้องกังวลอ่าวันนี้ลูกอยากขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอเข้ามาพระอาจ า, ขอขอ า, ารย์แล้วก็ญาติธรรมทุก ท, ท่านด้วยนะเจา้าค่ะเพราะว่าลูกอ่ะยังอยู่ในขั้นฝึกสติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ฝึกเจริญสติบางทีอาจจะไจะแสดงปริยาวลยาติอะไรที่ไม่สมควรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกขอเข้ามาเจา้าค่ะ แล้วก็ขอโทษแยติธรรมทุกท่านด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามอ่าอยากจะรุกวนถามพระอาจารย์คำถามนะเจ้าค่ะอาจารย์บางอ่าฉริยะบทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบุรีกรรมอย่างอาธิอธิอย่างนี้จะข่าวอาจารย์กระดูกกระดูกอย่างนี้เจ้าค่ะเระาต้องนึกภาพกระดูกขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วแต่นึกก็ได้มันนึกก็ได้เป้าหมายอยู่ที่เราไม่ต้องการให้มันคิดทำอย่างไมให้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ Mm hmm. แล้วเวลาพระอาจารย์ก็คือเวลาโกรธหรือว่าเวลามีใครพูดให้ไม่พอใจอย่างนี้สิค่ะลูกอะบางทีลูกจะพูดกลับไปเสียงดังแต่พอเราเรากลับมาดูใจเราเนี่ยบางทีปกติถ้าถ้าลูกโกรธใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หัวใจรเราจะเต้นเร็วแล้วสุว่าตัวเราจะร้อนขึ้นอย่างเนี้ยค่ะแต่พอมามาครั้นี้ลูกอาพูดเสียงดังก็จริงแต่พอมาดูใจอะบางบางครั้งนะเจ้าคะพระอาจารย์มันก็ว่า เขาไม่ได้หัวใจเต้นเร็วมันไม่ได้มีความร้อนเกิดขึ้นแต่เราพูดเสียงดังเคยเชยอย่างนี้เจ้าคําพ่อจาร์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเรงมีสติมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าค่ะก็เมนน่าปเม็นน่าไปรู้เลยนะคะวันนี้ไม่มีคาถามแล้วเจ้าคะอาจาร์ขอพระจาร์ที่เมตตาเจ้าค่ะนักบวาเจ้าค่ะาจคุณนันทเีนันทรียชน อยู่ที่ไหนอืออย่างู่อยู่พัทยาเจ้าค่ะอพัทยาจับนมัสการเจ้าค่ะเคยเข้ามาค่รั้งนี้ครั้งที่สองครั้งก่อนเข้ามาแล้วออกไปก่อนยังไม่ได้จับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะแต่ลูกก็ปฏิบัติอยู่ติดตามหลวงพ่อมาสามปีแล้วเจ้าค่ะฟังทุกอย่างจะสวนมากจะฟังย้อนหลังนะเจ้าค่ะอได้ กลานมสการเจ้าค่ะติดตามต่อไปนะเจ้าค่ะค okay. คุณซันนี่แบงค์ครับเชิญคุณซันนี่กล่านามนส ก, การพระอาจารย์ค่ะอ่าได้ยินชัดเจนพูดมาเลยค่ะพระอาจารย์เออหนูมีคำถามค่ะวันนี้ พอมีคนเหมือนมีคนที่รู้จักเราอะค่ะทราบว่าเราเอ่อมุ่งเน้นไปทางธรรมอะค่ะ<ม>ก็จะมาจะมีคนพูดว่าเอออย่าไปอินมากอย่าไปเข่งมากอะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนเขากลัวว่าแบบเหมือนเราจะอาจจะบ้องไปหรือหลุดโลกไปอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะอ๋อค่ะจะก็เห็นคนที่บางคนเอ่ อ, อ, อมาทางธรรมว่าอะไร เพ่งจนกระทั่งเป็นเทนตรงไปก็ก็ดีก็เขาเตือนเราก็ดีครับแล้วก็ขอบคุณเขาไปก็แล้วกันไม่มีปัญหาอะไรใครอย่าพูดว่ากล่าวดัดเตือนไงผู้เจ้าสอนว่าเราต้องน้อมรับก็มามาฟิกเจน่าถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราเป็นแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงไปนะั่นเองค่าพระอาจารย์ แต่ถ้ายึดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาจารย์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนะี่ยแต่ที่หนูปฏิบัติมา ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะใช่ดีไม่ต้องกังวล น, นะเ<น>ฉพาะคนบางคนนะเนะี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นคนใหญ่ยังไม่เป็นอนะ่ะแต่มีบางคนนี่มันกนข้างที่ยามันเหมือนราม่าเยอะบางคนหรือถ้าเหมือนเกิดมีปัญหาคะ่ะก็เหมือนแบบ เออเหมือนมีคำสอนของพระอาจารย์แบบลอยเข้ามาในหัวอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ค่ะก็ เ, เหมือนผ่านไปได้อะค่ะก็คือพยายามทําตัวเราเป็นแบบปติเหมือนที่เหมือนตอนที่เราปฏิบัติเท่นั่นเองการปฏิบัติไม่ไหมครว่าทำให้เรากลายเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีนั่นค่ะพระอาจารย์เราก็เป็นเหมือนเดิมเป็นแนวจิตใจของเรามันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยมันเย็นแล้วอ่ามีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นในตัวเรานี่ ใช่บางคนคิดว่าพอมาปฏิบัตินี่กลายเป็นเทวดาต้องใส่ชต้องใส่ชดามุนหัวครับอาจารย์เข้าใจครับอาจารย์คนบางคนก็ก็หลงไงเขาไม่รู้เขาคิ่าพอมาปฏิบัติแล้วก็ต้องทําตัวแบบอีกแบบหนึ่งจากตัวที่เคยเป็นอยู่เขาไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาการปฏิบัติก็ให้เรามีศีล เมื่อก่อนก็ไม่มีศีลแล้วก็มารักษาศีลนั่นเองค่ะหนูก็พยายามปฏิบัติทําสมาธิทุกวันแล้วก็พยายามรักษาศีลแปดทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนแรกตอนแรกรักษาศีลแปดทุกวันพระแต่พอดีว่าวันพระมักจะตรงกับวันทํางานนะคะรักษาศีลแปดได้แต่ไม่ค่อยได้เจริญสติเพราะว่าต้องทํางานตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันหยุดดีละถูกต้อง ความจริงการการปฏิบัตินี้คนจะปฏิบัติในวันที่เราไม่มีงานทำค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังขาดความเพียรอยู่เยอะค่ะก็ก็พยายามเข้ามาหามาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อเพิ่มความเพียรด้วยค่ะอแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นไปเองพอมันเข้าใจมากขึ้นมันได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็จะมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เราใจเย็นๆนะอย่าไปรีบร้อนอย่าไปอยากเกิดกำลังของเราก็แล้วกันค่ะอาจารย์แล้วก็วันในเดือนนี้ก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานค่ะตอนแรกอยากไปที่บนเขาแต่ว่า เ, เหมือนอาจารย์สายทิพว่าค่ะอาจารย์สายทิพย์คุณพ่อท่านเป็นห่วงใช่ไหมนคะของหนูก็มีคุณแม่ค่ะไม่อนุญาต แต่ว่าได้ให้ไปบนให้ไปที่วัดยานค่ะก็ได้ไปสามวันเคดีที่วัดก็ได้ที่วัดก็สงบพอสมควรขอบคุณค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามแล้วค่ะสาธุสาธุคุณมารีต่อเลยวุชากาศสาหลวงพ่อค่ะเราก็ยังปฏิบัติอยู่ชุกวันค่ะหลวงพ่อเป็นี้ย ไม่มีคําถามค่ะแค่แค่รู้สึกว่าปฏิบัติมาแล้วชีวิตมันเปลี่ยนค่ะหลวงพ่อใจใจมันไม่ไม่ร้อนเหมือนเดิมมัน ม, มันมองอะไรก็ก็สบา ย, บายแต่ว่าทุกมันก็ยังมีของมันอยู่เนี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เหมือนเดินคู่กันไปอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วว่าจะ มีความสงบมากขึ้นแลวเวลาจะทำอะไรมันเหมือนมีมีสติในการที่เราคิดคิพิจารณาอะไรหลายๆอย่างหลายข้อคิดถึงผลกระเ ท, ที่ยวตามมาเวลจะทำอะไรคิดถึงทางเลือกว่าจะทำแบบไหนดีทำแบบนี้ล้าจะเป็นยังไงทำแบบนี้แบบนั้นจะเป็นยังไงต้องคิดนะัก แล้วบางทีมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแรงๆอย่างนี้ค่ะก็สามารถปรับใจอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อ mm hmm. จนจนคนที่เขาอยู่รอบข้างเขาก็แปลกใจว่าทำไมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะคะทำไม mm hmm. ทาไมแบบดีมากดีแบบคือดีอันนี้หมายถึงว่า mm hmm. มันออกมาจากใจเราอะคะ่ะหลวงพ mm ่อ hmm. เราไม่ได้ ธรรมะปรับคนให้เป็นเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอะริย่ไงเ้ยแล้วเราดูคนที่เขาทำอะไรที่รู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ถูกใจเราหรือเขาทำให้เรารู้สึกมีมีมีอะไรที่แบบมันอยู่ในใจเราเนี้ยเราก็จะมองเขาด้วยความเมตตาแล้วก็สงสารค่ะหลวก็งอนันะวิธีของ <ทำ S 2> คนมีธรรมะก็จะมีเมตตาเป็นหลัก เมตตากรุณาแล้วมีมีคนที่เขาไม่ใช่ญาติหลวงค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเขาลำบากเขาสร้างความเดือดร้อนของเขาเองทีเนี้ยเขาก็ไม่มีใครแต่เราก็รู้สึกว่าเราสงสารเขาอดที่จะช่วยเหลือเขาไม่ได้นะคะหลวงพ่อก็เลยเลยช่วยไปช่วยไปอีกค่ะหลวงพ่อ ไม่เป็นไรก็เป็นการทําบุญเป็นการทําบุ ญ, เ ป, บญเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตามันต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการส่วนเวลาส่วนนี้ยังไม่ได้แผ่เมตตาอาจารย์นะลองแผ่ด้วยการลงมือช่วยเหลือเขาแต่ก็เหมือนเหมือนมีมีจิตที่คิดว่าอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาแบบอไปในทางทใจ ไม่ให้ใ<ช>เขามีทุกกายทุกใจอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่พอเราจะช่วยเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่นนก็เป็นเรื่องเรื่องปัจจัยอะไรของเขาเนี่ยค่ะหีือ้อาแต่ว่าก็าาต้องรู้จักประมาณก็แล้วกันอย่าไปช่วยเขาถ้าทั้งเราเดือดร้อนปล่อยให้เขาเสียนิสยัยเขาไม่ทําอะไรรอให้เราช่วยตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องหยุดบ้าง แล้วก็มีเหมือนส่งธรรมะส่งอะไรเนี้ยไปให้แม่แล้วให้แม่ส่งไปให้เขาด้วยให้เขาฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรไปด้วยอะคะ่ะเพราะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งอื่นที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าช่วยอะไรที่มันทำให้ใจร้อนร้อนแล้วมันจะสงบลงได้นอกจากธรรมะอะไรอย่างเงี้<ๆ>ยค่ะหลวงพ่ออืก็ช่วยทั้งสออย่างช่วยทางร่างกายแล้วก็ช่วยทางจิตใจไปด้วยพร้อมๆกันค่ะหลวงพ่อ แล้วถ้ามีโอกาสหนูหนูจะไปวัดหรือว่าจะไปหาที่ปฏิบัตินะหนูจะพยายามไปทุกเดือนค่ะหลวงพ่อหนูกลับมาแล้วหนูมีความรู้สึกว่ามันมันเหมืนอมนคือทางที่เราควรต้องต้องเดินไปในทางเนี้ยมันถูกต้องแลว้วค่ะหลวงพ่อใช่ที่สงบนะเป็นที่เหมาะของการปฏิบัตินะค่ะหลวงพ่อหนูยังมีความตั้งใจแล้วก็จะปฏิบัติ ตามกาลังที่หนูมีให้ยสุดทำอะได้ยังมีลมหายใจอยู่ก็อย่าอย่าหยุดก็แล้วกันนะทํำไปจนไม่มีลมหายใจหรือทำไปยังกับไม่มีปีเลแล้วก็หยุดได้ค่ะหลวงพ่ออืมโอเคนะขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาและให้โอกาสหนูค่ะหลวก็อสาธุจะสาธุอ๋อคุณนิสาจากเอ็ลเอชเชน อยู่ส่วนในของแอร์เวย์นะเมืองอะไรนะอ๋ออยู่ตรงมันเรียกว่ามิสซิสซิป่ีะค่ะอาจารย์มันอยู่ค่ะอยู่ระหว่างอยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงระหว่างเคทาว์ค่ะโคเวนทาวกับโคเวอร์ซิตี้ค่ะอาจารย์อ้โคเวซิตี้อยู่อยู่ใกล้ใกล้แถวแถวแถวแถใช่ก็ไม่ ค่ะก็ไม่ไม่ไกลไม่ไกลมาก ค, ค่ะอาจารย์เขาเรียก uh, City มิสซิตี้เหรอค่ะมิสตรงของลูกเรียกว่ามิสซิตี้ค่ะกลจาก u s เอสไหมไม่ไกลอะค่ะไม่ไกลค่ะ uh, <USA. S 2> ค่ ะ, อ ข, ะของบ้านลูกก็จะอยู่แบบตรงกลางคือมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ไกลกับอะไรอะค่ะไปได้หมดค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ยังมีความสุขอยู่กับการปฏิบัติโดยเฉพาะช่วงที่ลมหายใจมันแบบเบาแบบละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันรู้สึกสบายค่ะพระอาจารย์ก็ดบต่อไปค่ะไม่มีคำถามค่ะยี่ทำมากเท่าไหร่ได้ยินงดีนะค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคไปที่คุณนพราน คุณระวัน อ, อยู่ที่ไหนคุณนภวันสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่ลาลูกกาค่ะปะทุมจักรมีอะไรัหมวันนี้มาฟังธรรมค่ะเคยเข้ามาใช่ไหมเคยเข้าม า, เ, าเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ฟังที่สองค่ะโอเคนะทุกท่าคุณพรดนาเชิญ องจากเขาแล้วเหรอคะค่ะการนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์พอดีก็มีบททดสอบนิดหน่อยค่ะได้อา่าไปไปหาหมอแล้วหมอว่าเซลล์ผิดปกติค่ะต่อไปก็อาจจะเป็นคขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าคือพูดใ น, น, นแล้วนะแต่ตอนที่ได้ยินก็เฉยค่ะเฉยเหมือนเหมือนที่ฝันเลยแล้วก็แบบ แล้วเขาก็จะนัดให้นัดให้แอดมิดเลยวันนั้นเลยก็เลยรอนถัดไปก็แอดมิดเลยแล้คก็คนรอวันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมที่ไปใช่ค<ป>่ะใชา<ป>่น้องไปได้กั น, น ไ, ป ไ, ปไปหาอาจาร ย, าย์ใหญ่ใช่ค่ะแล้วพอแอดมิดวังจะสรุปอะไรก็คือแบบไม่ไม่เป็นอะไรเลยอยอมรับ มันต้องเจอสักไหนสักโลกหนึ่งนะไม่ลงนั้นก็ลงนี้มันเฉยแบบเออทาไมเราไม่ตกใจมันก็น่าแปลกใจตัวเองเหมือนกันพรเราศึกษามาเราเตรียมตัวไว้นะพระอาจารย์พระพุทธเจ้าบอกตั้งนานแล้วว่ามันเจ็บมตายได้แต่เราไม่ไม่เชื่อท่านเองเราไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมใจกันพอเตรียมไว้พอเราฝึกไว้ที่เราอดมันต้องอดก่อนที่จะจะสลบอดอาหารอดน้าอดข้าวอดหมดเลยเนี่ยได้ใช้หมดเลย ที่อดมาที่ฝึกมาคือแบบสบายเลยอยู่ได้เก็ดูแลมันไปตามธรรมะรักษาได้ก็รักษาไปนะถ้ามันรักษาไม่ได้แล้วมันไม่ไม่อยากจะรักษาก็ปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติค่ะแล้ววันนี้ก็เลยไปวันนี้ไปฟังผลมาแล้วก็มันก็มันมันยังยังไม่ได้ถึงขั้นเป็น อเป็นแุดเริ่มต้นจุด่ตน้ตนแต่ว่ามันก็ได้ทดสอบแบบว่าเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่มันไม่มีกินไม่ได้นอแม่หลังไม่มีเลยไม่มีเลยแฮปปี้เหมือนเดิมแบบตายได้ <laughs> ตอนนั้นนะคะก็จบก็ น, นี่แหละแสดงว่าเราทําข้อสอบผ่านแลนะ้วมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นอยู่แล้วคะ่ะตอนนั้นแล้วแล้วอยากแก้ปวดก็ไม่ต้องไม่ได้กินแบบ หนูก็ยังแปลกใจว่าทำได้ทำได้ระดับหนึ่งเงี้ย่ก็เลยมาอะไรอย่างไรขอขอะคุณอาจารย์อีกครั้งขอมาดีคุณผู้ทธ่จะอันอันี้สงผลมุญของการปฏิบัตินี้มันจะแสดงผลตอนที่เราเจอเหตุการณ์เจอข้อสอบดจนแฟนก็แบบเหมือนแอบดูว่าเออกังวลอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่หนูไม่มีหนูก็นั่งยิ้มนั่งเล่นเหมือนแบบ ดูฟังทำแล้วก็หัวเลาะแบบบางทีที่พระอาจารย์เทศก็ตลบใช่ไหมคะบางทีไม่มีเราเหมือนยนอะไรกับแฟนกเขาก็บอกเขาก็แอบดูว่าไม่เห็นจะมีแบบไม่ไม่ไม่มองไม่เศร้ามองเลยค่ะอะรดีดีมากขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพระุทธเจ้าค่ะค่ะเาขอบคุณค่ะคุณวายอ็มสเ r o ย์โรไคเนคุณก็บ้า ยันยีเ่เอมสิบแปดพอนยินดีลเลยน้าไกลอ่าเปิดไมคก่อนจะาผมชายลเลยน้าไก่ไม่เคยเห็นหน้ามา ก, ก่อนชื่ออะไรท่านชาจาหนูเองค่ะอ๋อยินดีเป็นกล้าวน้าค่ะเ<ำ>พราะว่านี่ค่ะวันนี้ใช้มือถือค่ะ ปกติเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะค่ะมาที่รัฐไอโอวาค่ะท่านอาจารย์งานมาทํางานมาดูงานใช่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเห็นที่ฝากมาได้แล้วกินน้องชายมาค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะก็บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์โอเคจะอยู่สักกี่วันอะก็ เดี๋ยววันนี้เอมาดูงานหนึ่งวันค่ะแต่เดินทางมันก็ต้องสองวันนะคะเพราะว่าขับรถแปดชั่วโมงอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็บอลทรงเต้นเหมือนเดิมค่ะท่าอาจารย์แล้วก็ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เปจารย์สูงค่ะท่าอาจารย์มซิบกูค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะท่านอาจารย์คุณมาริกาเชนมาริกา กลับนมัสการเจ้าข่าพเจา้าได้ยินได้ยินชัดเจนมีอะไระไหมก็ได้รับพระอาจารย์ก็ก็จากการที่ว่าถูกแบบทุษได้ทําแบบทดสอบไหมคะพระอาจารย์ก็ได้เจริญสติมากขึ้นแล้วก็ได้ปฏิบัติมากขึ้นสิ่งที่ได้รับก็คือความสุขที่ได้รับจากการนั่งสมาธินะคะพระอาจารย์ถึงเม้นจะ ได้ไม่มาแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งก็ทำให claro, ้เราอย่างน้อยไม่พังชลายจิตใจไม่พังทลายดังนั้นมันก็จะผ่านไปโดยที่บอกว่าโอ้เร็วจังเลยแต่ว่าก็ลุกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบจะได้อารมณ์แบบเย็นเย็นสบายสบายอะไแบบเวลานั่งสมาที่แล้วก็แบบได้อารมณ์นนั้ ลูไม่ได้หวังตรงไหนว่นนาพ่อจาย์แบบว่าทําไปขอให้ได้ทำทุกวันแล้วก็ทุกก็ตามมีตามเกิดมาได้ได้มากได้น้อ ย, าายก็แล้วแต่แล้วก็พอลูกมาอยู่กับคุณแม่เราเป็นคนชอบความเท่ห์นะพ่อจาันเนาะคุณแม่ก็ได้ฟังด้วยแล้วคุณแม่ก็สบายใจขึ้นก็ถือว่านูกก็ได้ทำตัวแทนบุญคุณแม่ในระดับหนึ่งในจุดนี้นะคะพ่าจาย์ ก็ถือว่าถึงว่าเราจะละบ้านโน้นไม่ได้ไปอยู่หนึ่งเดือนแล้วคุณพ่จานหนึ่งเดือนแล้วไม่เคยได้เข้าไปบ้านลูกมากแต่ว่าก็มาอยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่ส่วนพ่อนั้นก็ไปอยู่กับน้องอีกอีกคนหนึ่งก็ก็สลับกันไปก็พยายามจะดูแลจิตใจแม่ให้ดีที่สุดแล้วพร้อมแม่เข้มแข็งแล้วก็วจะกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้แล้วก็ลูกก็ขอขอบคุณพ่อจันเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่า พอเราเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรากับปฏิบัติได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อใช่ไอืมสาธุโอเคคุณวิไลจะเปิดกล้องไหมถ้าเปิดกล้องก็เปิดนะถ้าไม่ก่อนเดี๋ยก็จะผ่านนะวิไยไม่เปิดคุณหมอทัศนีเปิดหมครับเปิดแล้ว ไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้เปิดไว้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ยังปฏิบัติยังปฏิบัติอยู่นะปิดใจเข้มแข็งสุขสบายไม่หวาดไว้ไม่หวาดกลัวใช่เจ้าค่ะไม่วิกตกกัอองวลอะไรจะเกิดก็เกิดสงบดีเจ้าค่ะโอเคสัพเปตมานะเจ้า สิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคสายคุณชัยนิตหน่อยส่งร้านชายมาชิม้านก่อนนะจีรามเสื้อจีรามยังไม่ได้ปล่อยบมย่ได้ กลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะชื่อจีราเมฆเจ้าค่ะจีราเมฆใช่ค่ะกรดีอ่าที่เคยบอกพระอาจารย์ไปแล้วค่ะว่าทำโทษกัน <c oughs> ไม่ยอมโดนตีถ้าโดนตีนี่จบไปนานแล้วค่ะแต่เขาเขาคงเขาก็เต็มใจเข้ามาเองเจ้าค่ะเออดีเขาจะได้เรียนรู้อะไรเจ้าค่ะก็อยาก ให้เขามาอยู่กันหน่อยนะเจ้าค่ะจะได้โดยที่จริงก็ไหนก็ต้องยืดเวลาไปอยู่สัปปะยะอีกสักหกหกปีเะ้าค่ะถ้าเขามาอยู่อก็จะอย่างนี้เจ้าค่ะของพ่อจันเป็นลูกของใครน้องชายนะน้องสาวเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นลูกของน้องสาวเจ้าค่ะจ่าหญิน ว่าคืออ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกพระอาจารย์อยากถูกหวยที่จริงเป็นการถามตอบกันของหน่อยเองว่าเอาไปางเอาตังค์ไปทําอะไรจะไปกเกาหลีหรอหรือจะไปจะทําอะไรคือแบบถามตอบตัวเองมนาะสุดท้ายก็ต้องตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไป<ม>ทําหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยจะค่ะก็ถามตอบตัวเอง<ม><笑><笑>ก็เลย<ม>จะค่ะก็เลยมองว่าอ่า อีกคนในความคิดหน่อยอะค่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นใหญ่ก็เลยรับจบให้เองก็เลยจบโดยการว่าเลิกซื้อหวยเลยอะไรประมาณนี้จ้าค่ะมันเลยต้องทำมากกวกิเลสต่อสู้กัน <c oughs> กิเลสขยากได้ทำมากกวาสองเอาไปทําไมใช่จ้าค่ะ ก, ก็จะแบบแย้งกันแบบแล้วมันก็จะมีเสียงที่แบบดังที่สุดบอกว่าเลิกเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะอืมพรมันเลิกแบบเด็ดขาดก็แล้วกันอ จะขาดเลิกเลิกจริงๆนะคะค่ะไม่ใช่เลิกวันเดียวเนี่ยว่าหน้าเลยไปเลิกจริงๆแล้วค่ะอันนี้<ม>ไปถึงแม่ด้วยนะคะแม่ก็บอกว่าแม่ก็จะเลิกเหมือนกันอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ไหมันเสียหวยไปทำเงนดีกว่านะใช่แลค่ะ <c oughs> พ อ, <c oughs> พ, อพอพระอาจารย์พูดก็ฉุดคิดได้เอาไปฝังดินไว้ดีก ว, ว่าเผื่อแบบชัดหน้าจะได้เถื่อนนานจะได้มีงานรอเราอยู่ อาจารย์เจ้าคะอ่านหนี้ยมีคำถามหนึ่งเจ้าคะ่ะคือไหนมีความเชื่อว่าอ่าที่ใส่บาตรอาจารย์ไปแล้วแบบเราตายไปอะ่ะเราจะได้กินไหมเจ้าค่ะกินในสิ่งที่แบบว่าเราใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะคือจะได้กินในสิ่งที่เราใส่ไปหรือไม่ไม่ไม่รู้แต่สิ่งที่ได้ก็คือมันก็จะได้สิ่งที่เราขาดแคลนนะอืมไม่ต้องทร ม, มนแล้ว มาอยู่โลกหนึ่งมาอยู่ประเทศหนึ่งก็อาจจะกินอีกอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเราจะไปกินแบบว่าท<ต>่านึก ถ, ถึงชานมข่มุกก็แต่ว่าหนอยยังไม่เคยใส่ชานมขงคุดเลยหน่อกลัวไข่มุกแข็งหน่อยก็เลยไม่ได้ใส่แต่ว่าในนี้อีกยี่ห้อหนึ่ะกินแบรนด์หนึ่งที่แบบแค่เย็นแล้วไข่มุกไม่แข็งอาจารย์ต้องโดดแน่นอนจ้ะค่ะแต่ไมเ่เด็กๆเราก็ไม่มีชาไข่มุก <c oughs> นี่นตั้งแต่ <c oughs> ที่มีชาไข่มุกออกมาเรายังไม่เคยชิมเลยสักครั้งเดียวเราก็ไม่เดือดร้อนเลย มีอะไรกินก็กินไปใช่ค่ะก็คือหน่งก็มองว่าอ่าเหมือนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่บาตเรากินอะไรที่บอกว่าหน่ก็มองว่าพระก็เป็นคนเหมือนกันก็คงจะอยากกินเหมือนกันแต่ก็คงไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยส้ค่ะไม่เรามันได้ความอิ่มใจโดยาได้ความสบใจมันจะไม่หิวกับชาไข่มุกจะไม่หิวกับอะไรมีอะไรก็กินได้ไม่เดือวร้อน จาา้าค่ะก็ <c oughs> ก็เลือกไม่ได้นะครับใ <laughs> อ, อนาคตรเราไม่รู้ในอะไรจะเกิดเราจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> แต่ใจเราจะไม่ไม่ชูช้จี้จูกจิกใจเราก็กินได้ทุกอย่างมีอะไรกินก็กินได้จาา้าค่ะแต่ด้วยความที่อ๋อก็คือว่าก็อาจจะได้ดีกว่าที่เราตายไปเราอาจจะได้ดีกว่าที่เราใส่บาตไปถูกไกหมจ้าค่ะ ก็แล้วแต่อันนี้ไม่เราก็ไม่ได้เป็นนักทำนาทางกฎแห่งกรรมทไรระแต่ค่ะก็มีประมาณนี้สะค่ะที่จะถามพระอาจารย์โอเคสาธุคุณตายเชิญพระิยาพร้อมกับในวัสดการครับพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ ก็มีเวลาก็ปฏิบัติไปตามตามที่เท่าตัวเองมีเวลาครับอาจารย์วันนี้ฟังรู้สึกจะเหนื่อยนะยังไงเหนื่อยใจครับอาจารย์ก็ใช้ธรรมะรักษาใจใช้ธรรมะพระอาจารย์รักษาใจอยู่อย่าไปแบกที่มันเหนื่อยเพราะไปแบกเขาไหวไปอันนี้จางทุกขังหน้าตาใช่ค่ะควบคุมบังคับไม่ได้แล้วค่ะก็ใช้ ธารมกของาอาจารย์ว่าเราเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างงน้นอย่างนี้เขาเป็นสม้มเขาเป็นกล้วยจะให้เป็นสม้มมันก็เป็นไปไม่ได้ก็สอนเขาได้เท่าที่เราเราสอนอและเขา <ทำ S 2> ฟังที่ทาไดท้ที่ทาได้เจ้าค่ะแล้วรักษาใจไปเรื่อยๆรักษาใจลบริกรนะันคนอื่นเขจะดีช่วยแล้วก็ไม่จะดีช่วไปกับเขาหรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรนะเจ้เอาค่ะอพยัง น, นั่งสมาธิมันจะช่วยได้เยอะนะนั่งสมาธิโอเคไปที่คุณจอยพฏิยาผู้นันจอยผู้เงจอยก็สบายดีค่ะแล้วก็หนูนั่งสม า, มมามธิทุกเชา้าค่ะสงบเสงี่ก็ยัง <c oughs> ส ง, <c oughs> งบสงี่ในบ้านนะยัง ตอนนี้ก็ทั้งลูกทั้งสามีนะคะเอลูกก็ประสริทุกด้านเลยแหละก็ไม่ยอมทาการบานเมื่อกี้ก็ร้องไห้มาแล้วลออเรื่องของเขาไม่ทำเรื่องของเขาเราบอกเขาแล้วเขามัไม่งส่งคุณครูส่งอัดคลิปส่งครูเขาก็กลัวโดนครูดุเขาก็ ร, ร้องไห้แบบว่าเดี๋ยวแม่คอยนี่ก็ได้ก็ดีขึ้นมาค่ะแล้วก็นอนนั่งสมาธิแต่ว่าเดินจังกรมไม่ค่อยสงบหนูก็เลยเอานั่งสมาธิสงบดีค่ะอืม แล้วก็เ อ, อมีพี่คนหนึ่งแบบว่าหนูเขารู้เปเขาแล้วทีเนี้ยหมามันตัดหน้าแต่หนูว่าก็พอเบรกได้แต่เขาสอนหนูว่าถ้าหมาตัดหน้าเข้าหน้าให้ชนเลยหนูถามว่าแล้วแล้วทำไมเขาบอกว่าระหว่างตัวเองกับหมาเลือกเอาว่าจะเอาอะไรหนูก็เลยคิดรู้สึกว่าหนูคิดว่าถ้าเราถ้าเหมนูชนหมาหนูคงหนูคงทําใจไม่ได้ก็ต้องก็จะต้องชั่งน้ําหนักดู ถ้าหยุดได้ก็หยุดถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลบแล้วไม่เป็นอันตรายก็หลบไปแต่ถ้ามันหลบแล้วไปเป็นอันตรายไปชนกับรถคันอื่นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามบุญตามกรรมนียแต่เราจะไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปนะไม่มีเตือนาหนูแบบหนูกลัวมากหนูไม่อยากข่าฝาไม่อยากแบบไม่อยากเหยียบไม่อยากทําอะไรเลยมันเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุสุริสัย แล้วพอตอนเช้าเช้าชอบมีตัวไอ้ตะเข็บอะเป็นถมดเลยหนูก็ขับุ๊ถหนูก็ไม่รู้จะหลบยังไงมันมันสุดอิสรยจริงๆที่ที่ต้องนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมขอาไปก็แล้วกันค่ะของหนูก็มีเท่านี้เดี๋ยววันพะวันวันเสาร์ไปใส่บ่าโอเคนะจ๊ะเ้วันวันวันพระวันอาทิตย์ไม่ใช่วันพรันเสาร์หรือวัอาทิตวันอาทิตย์เหรอคะเด็กวันวันอาทิตย์เนี่ยอ๋อ คะคหนูหนูดูปฏิทินใหม่อาจะผิดก็ได้จาไม่ได้แน่นอนโอเคไปที่ลักสมเบอร์คุณปุ้ยนายยอยิงเห็นคุณจอยแล้วใช่ไหมยอยกลาวนมัสการเจ้าค่ะวจานยอมไม่มีอะไรคะ่ะเอ่อมาวันเมื่อวันจันทร์ถูกกิเลอ <c oughs> ทับหน่อยแต่ว่าทุกวันโยมก็ปฏิบัติมาเยอะเมื่อวานโยมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนั่งปฏิบัติดีมากเลยนั่งแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าวันหนึ่งโยมตั้งจิตอธิษฐานว่าต้องให้ถึงสี่ชั่วโมงโยมก็ทำได้ค่ะแต่โยมก็ไม่ได้ลัาศีลเจ็ดนะพระอาจารย์ยังไงโยมก็อย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนกับว่า เราไม่หิวแล้วอ่ะแล้วเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกินแล้วเราก็แต่ว่าอย่างเดินออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีโยมอ่ะเคยติดพันเอ่อพระอาจารย์ต้องเอ่อขอมาพระอาจารย์ด้วยเพราะบางทีความเคยชินไงมันติดพันว่าอุย้ยเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวแต่งหน้าหน่อย <c oughs> คือพระอาจารย์คะโยมอยากจะเรียนถามมีอยู่ข้อหนึ่งโยมไปช่วยลูกโยมแต่ทีนี้เขาต้องทําเอกสาร เขาต้องเอาเอกสารของโยมแต่ทีนี้เอ่อมันเป็นเอกสารตัวที่ไม่เหมือนกันทีนี้ทางทางทางกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาที่นี่เขาก็ไม่ยอมรับทีนี้โยมเขาทำยังไงเขาก็ไม่ยอมรับโยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาเข้าเขากลับมาเมื่อวันอาทิตย์โยมก็บอกเดี๋ยวฉันจัดการเองเอ่อทีนี้โยมรู้ว่าถ้ายังไงมันก็ไม่มีวันยอมรับโยมใช้ วิธีขอพระพุทธเจ้าอะ่ะคือบุญโยมจะหมดไหมอย่างเงี้ยพระอาจารย์แสดงว่าโยมต้องเล่งบา ร, รมีให้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าโยมอธิษฐานจิตขอพระพุทธเจ้าให้ช่วยแต่แต่ท่านช่วยจริงๆนะพระอาจารย์เพราะว่าผ่านมาโดยปฏิหารจริงๆอืดีท่านช่วยท่านช่วยได้ก็ดีถือว่าเป็นบุญยของเราก็แล้วกันอืแสดงว่าบุญโยมนี้จะหมดใช่ไหมคะ ไม่หรอกบุญถ้ามันยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังไม่หมดมันต้องรอตายไปก่อนแล้วเราไปรับผลบุญก่อนแล้วมันถึงจะหมดโยมเข้าใจว่าอุ้ยโยมโยมก็สงสัยบุญเราจะหมดแล้วเว้ยเราเอาบุญไปช่วยคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเออไม่หรอกไม่ตอกจากบุญเก่าบุญเก่ามาทําหมดบุญก็วนลมหายใจก็เลยหมดหมดบุญ ขอขึ้นมาค่ะเข้าใจผิดแต่พระอาจารย์โยมมีคําถามคําถามนึงจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยโยมนั่งสมาธิก่อนแล้วทีนี้มันนั่งสมาธิแล้วมันติดติดตพันไปจนแบบว่าเราลืมสวดมนต์อย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นหรอกก็นั่งสมาี้ก็ดีกว่าสวดมนต์เอง ถ้ามีนั่งสมาธิทดแทนการสวดมนต์ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าดู u ู u ูบนี้ไม่ได้ไม่ไดีค่ะ<อ>ทุนอ๋อโยมใช้ u ู u ูบฟังฟังฟังบึงทีฟังพระจาญบัมงบางที<ต>ฟังแต่ไม you, ด้ดู y o u t u ู e ดูหนังดูละคอรอะไรเนี่ยอ๋อไม่ไม่บไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ทุกไม่ทุกครั้งค่ะอ่าใช่ไม่ไม่ย้ายจอ น, นั่งสมาธิเพราะว่าโยมมีตารางของโยมโยมจัดตารางเอาไว้ค่ะอ่า mm hmm. uh huh. ก็ส่วนมูลกันนั่งสมาธิมันก็ปฏิบัติแบบเดียวกันนะเพื่อเพื่อความสงบเหมือนกันใช้แทนกันได้นั่งสมาธิดีกว่าโยมเข้าใจที่อาจารย์สอนโยมอะบอกว่าพุโทโธพุธโทโธตลอดเวลาเนี่ยคือเวลาที่โยมพุโทโธเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวพุทเนี่ยมันกินเข้าไปในท้องแล้วเราก็เห็นตัวพุทแล้วพอออกมาเนี่ยเป็นตัวโธและ โทเนี้ยมันก็ขึ้นลอยขึ้นมาบนหน้าโยงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วใจมันก็มันมันก็รวมไปสุดถึงตรงตรงกลางของอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็แล้วแต่อันนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่คือโยมรู้สึกอย่างนี้คือมันดีไหมฮะมันใช้ได้ไหมฮะมันโอเคมันทำมันไม่คิดก็ใช้ได้ทําเพื่อให้มันไม่ให้คิดท่านเองคือโยมทําแล้วมันก็ไม่คิดแล้วทีนี้โยมก็ฟังพระอาจารย์แล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิเมื่อ สัปดาก่อนยมฟังพระอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วทีนี้โยมก็ลงไปทําเพราะว่าไอสิ่งที่ยมทําผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการทําผิดในนี้ประกอบกับตอนที่โยมฝันถึงอาจารย์มาหลวงตามหาปัวเ อ, อเหมือนกับท่านกําลังจะบอกโยมว่าจะเอาอะไรก็เอาไปสักอย่างหนึ่งจะเอาสมมาอะหังหรือจะอาพุโทโธก็เอาไปสักอย่างหนึ่งทีนี้โยมก็เลยบอกว่าเอ้ยความฝันต้องมีส่วนเป็นจริงสิยมคิดบอกกับตัวเองนะ โยมก็เลยเลือกใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยวัดตัวเองเโดยโดยโยมเอ า, เอาพุโทโธให้เข้าไปในใจอย่างที่อาจารย์บอกและทีนี้พอโยมมาพุโทโธพุโทโธโยมเอาตัวนับมานับเนี่ยและโยมเอาพุโทโธพุโทโธพุทโธและทีนี้พอโยมไปนั่งสมาธิและ้ะมันรู้สึกมันเหมือนกับพอนั่งปุ๊บมันมีอะไรรวมเข้ามาอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอาจารย์มันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่เป็นอ่ะเออเห ก็มันสำรวจว่าใช้ได้ถ้ามันรวมแล้วมันสงบเงียบเย็นสบายก็ใช้ได้มีความสุขแต่มันไม่ได้เห็นนรกอ่ะอาจารย์มันไม่ได้น่าให้เห็นนรกเลยให้เห็นความว่างแทนความสงบใช่แต่ว่าเราเห็นแบบเหมือนกับว่ามันมีไอ้อะไรเราเดินเข้าไปไหนแบบมันมีแสงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอไม่ควรเห็นนะถ้ามันเห็นก็อย่าไปสนใจกรรมพุทธต่ออ่า โอเคนะมีอะไรไหมถามโยมไม่มีอะไรค่ะโยมโยมจอมากาบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโ <Okay. S 2> ยมปฏิบัติทุกวันค่ ะ, ะยังไม่เลิกค่ะสาธุขอให้ศพาจาเจริญในรำไม้รวยมีการใช้เวลาดชีวิต น, น ะ, ะ, ะสาธุข้าขอให้โยมได้เ อ, อเดินทางทอตามพระพุทธเจ้าตามพระอาจารย์ทุกชาติทุกภพนะเจ้าค่ ะ, ะสาธุจ้ ะ, ะไปที่คุณครบับ เป็นยังไงประการครับม้านมาเลยก็ม ก, ก็ก็มีเลือกเรื่องเด่นแต่ว่ายังไมง่พูดได้ก็คืออดอาหารครับปัะม7ณเจ็ดเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันคือไม่กินตอนเย็นแล้วก็น้าหนักลดลงมาประมาณสองสองกิโลครึ่งนะสองห้ากิโลเป้าหมายจะเป็นหกสิบห้ากิโลอันนี้มาได้ประมาณหนึ่งเจ็ดวันแลครับก็ พอพระอาจารย์สอดส่องดูแลผมก็เลยก็เลยดีหน้าตาดูดีขึ้นหน้าตาดูดีขึ้นอใช่กำลังใจอีกแล้วอ่เป็นลูกขายขึ้นไม่งั้นก็เป็นกรมที่เงี้ก็ก็เลยมีมานักศึษาพยายามขอพระอาจารย์เมตตาดี เก่งมากเก่งมากก้าวอาหารเย็นออดไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งหยุดนะอดไปเรื่อยๆสาธุครับอ้าหยุดก็มันเดี๋ยวมันก็เด้งกลับไปอยู่เหมือนเดิมอีกครับมันก็ก็ดีครับก็อารมณ์แทมไซปกติครับอย่าไปลดน้ําหนักแล้วอย่ากลับไปเพิ่มมันอีกนะลดแล้วก็ต้องให้มันลดไปต้ก็ให้มันให้มันคงที่อยู่แล้วลดอันเดียวก็ไปเพิ่มมันก็เสียเวลากปล่าครับอาจารย์ น้ำหนักคนจะเหมาะของเรานี่คนอยาแค่55น่าจะพอมั้งโอ้ยอ้าวใช่ผมตั้งไว้65เดี๋ยวดูไว้เป็นหุ่นเสียเราจ้า50ก็ถ้า50 55ิบห้าก็น่าจะดีดูดีนะครับอาจะดีนะ55าสานั่นเองแล้วเราพยายามรักษาไว้ครับโอเคนะครับ ไม่เดือดร้อไม่ต่อมานะไปแล้วไม่ไม่ไม่ครับผมฟังเทศตอนบ่ายครับผมฟังแล้วคนก่อนไปดูไปอุ่นมันหนังไทยมาพวกหนังไทยที่ผมคิดว่าออฟังธรรมนี่มันสนุกครับแล้วก็ออสนุกกับดูหนังครับืมไม่ต้องเสียตังค์เลยไหมอาจารย์เท่านี้ครับโอเคสญญาธุา พยายามอดตอบไปนะใ ห, นะให้ถึงเป้าหมายสาธุขราสาธุนะคอัาเด็กชายแปดสีู่นย์แปดศูนย์หกเป็นยังไงครับชื่ออะไรได้ยินไหมเด็กชายแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หกอ่าเปิดไม่อ๋นำมัสการครับเอเป็นยังไงโู้จำผมได้ไหมครับ ได้ที่ไปวัดที่มาวัดส่บาทใช่ไหมใช่คอะคุณแม่อยู่หรือเปล่าก็ครับคุณแม่อยู่หรือเปล่าเออคุณแม่ไปอาบน้ำเมื่อสักครู่นี้เองครับอก็อยูอ่คนเดียวตอนนี้อยู่ทคนเดียวมีคำถามอ่ะครับ อ, อ, อ, อ่เอมเลยนะลืมแล้วเออจะทำยังไงให้เรียนหนังสือเก่งนะครับ ต้องฝึกสติเยอะๆพยอย่างท่องพุโทโธพุทโธบ่อยๆครับอยากปล่อยให้ใจลอยนะให้ใจอยู่กับพุโทโธพุทโธเวลาเรียนทุกเสวะจะเรียนเสียงจะเข้าใจจะไม่ลืมนะฝึกพุโทโธไบ่อยๆนะเวลาไม่ได้เรียนก็ฝึกพุโทโธเวลาเรียนก็ตั้งใจฟังเวลาครูครสอนเราก็ตั้งใจฟัง ถ้าเราฝึกพุโทโธไว้ก่อนเวลานะฟังแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับการฟังนะนั่งฝึกพุโทโธบ่อยๆนะตอน<ม>ตอนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดช่วงนี้ผมก็นั่งสมาธิอยู่กันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะนอนสมาธิอนอนสบายกว่านะ นราแล้วก็หลับใช่ไหมโอเคมีท่านนี้แหละฮนะประมาณส่วนใหญ่แล้วครับอืมท่านนี้นะหมด<บ>แล้วนะ<บ>โอเคอ้า<บ>ดูอ่าใครตอคุณแปมหนระืคุณแหม่มนะีนะ่ชื่ออนะไรตัวห้องสือมองไม่ค่อชัดแปมนแป้ ม, ปมคุณแปมนะอ่า อยู่ที่ไหนเปิดไมโครโฟนยังไม่เปิดอ๋อที่มาเช้ามาใส่บาตรใช่ไหมพูดได้ยังไม่เปิดเลยไมโครโฟนุ่มปุ่มร่างค่ะอ่าเปิดแล้วพูดได้แล้วเจ้าค่ะน้องกราบนมมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ๋อ เพิ่งเพิ่งเข้าห้องซูมเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะให้รูปภาพค่ะอืมมื่อช้ามาใส่บาชใช่ไหมที่ศาลาได้ได้ไปปฏิบัติทำสามวันสองคืนด้วยเจ้าค่ะอืมอยู่ที่วัานเหรอตอนนี้ตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วเจ้าค่ะอืมเป็นยังไงสงบดีไหมสงบเจ้าค่ะครั้งนี้เหมือนจะไม่ไม่ไม่สงบเท่าครั้งก่อนเจ้าค่ะที่ได้ไปเจ้าค่ะ ออืก็มีอะไรไหมครั้งนี้ครั้งนี้ดีใจที่ไปใส่บาทพระอาจารย์พระอาจารย์จําลูกได้เจ้าค่ะเหอามาฟังทำตอนบ่ายด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะไปไปบ่อยเจ้าค่ะอืดีพยายามปฏิบัติไปฟังทำไปเรื่อยๆนะแล้วจิตใจจะจะก้าวหน้าไปเรื่อยลูกอยากถามว่าลูก ฟังธรรมพระอาจารย์เหมือนเหมือนได้เหมือนเหมือนได้มีสมาธิมากกว่าเออนั่งสมาธิเจ้าค่ะถ้านั่งเหมือนไม่สงบเจ้าค่ะตอนนี้จิตเรายัางสติยังมีไม่ค่อยมากเลยต้องมาสายฟังไปก่อนแต่ถ้าต่อไปนั่งนั่งดูลมได้จิตจะสงบมากกว่าการฟังธรรมเองเจ้าค่ะลูกไปที่วัดลูกท่องพุโทโธแล้วลูกเหมือนเหมือนรู้สึกกลัวลูกลูกเพิ่มเป็น เออพูดโทรตายลูกนึกถึงความตายแล้วลูกก็เลยเติมคําว่าตายไปลูกรู้สึกว่าดีเจ้าค่ะอืได้ไม่เจ้าค่ะทำแบบนี้ได้ไม่เจ้าค่ะได้ได้ได้ด้ยวยสองอย่างพุท่านุสติกับมาณานุสติกควบคู่กันไปได้ <c oughs> ถ้าได้ผลถ้าทําให้ใจสมองพอใช้ได้บางคนกลัวความตายไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่ไม่กล้านึกถึงความตาย ก็แล้วแต่ถ้าไม่ไม่กลัวความตายแล้วความตายนี่มันจะทำให้ใจเราสงบได้ง่ายลูกเหมือนลูกลูกดูไกลอาหนุสติใช่ไหมเจ้าค่ะลูกพูดถูกหรือเปล่าที่เป็นเล่มหนังสือลูกพูดเลยเจ้าค่ะลูกดูได้แล้วลูกไม่กลัวแล้วแต่ลูกกลัวสิ่งภายนอกมากกว่าเจ้าค่ะลูกก็เลยเึกถึงเอาคำนี้มาเพิ่มเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นเจ้าค่ะได้ดี ค่ะโอเคนะมีอะไรอีกไหมมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคบ้านอยู่ที่ไห น, นเจ้าค่ะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่อา่าพัทยาพัทยาแถวลงมันคุ้งแค่พัทยานะเจ้าค่ะโอเคสาธุน้อมกราบบอกพระคุณเจ้าค่ะอ่าอะไรที่เกิดกลางวันอะไรเชิญกลางวันอะไร ถามนักวัฒการพรเจ้าค่ะเมื่อวันเสาร์เจ้าค่ะที่ไปฟังธรรมพระอาจารย์นะคะแล้วฝนตกหนักๆะคะ mm ่ะ hmm. หนูก็ได้ตรวจบททดสอบมาอันหนึ่งก็คือพยายามนั่งไม่ลุกอะคะ่ะแล้วก็เวลาฟ้าผ่าค่ะก็เหมือนกับให้มันฟ้าผ่าแล้วตายไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็สนุกดีอันนี้คือพยายามที่จะลองบททดสอบใหม่ๆเพื่อที่จะเอ่มถ้ามีกําลังอะค่ะก็อยากไปนั่งกับพระกับอาจารย์ใหญ่ะคะ่ะ ทีนี้หนูมีฟังทำไม่น่าใจว่าของคุณหมอวีหรือว่าที่พระจันเทศ่ะที่พระจันบอกว่าชั่วโมงในการในการนั่งสมาธิค่ะถ้าอย่างอย่างอย่างต่ำต่ำไม่น่ใช่นะอย่างมักซิมัมก็น่าจะประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงค่ะทีเนี้ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่นั่งยาวติดต่อกันหรือว่าเรบรกเบรกในแต่ละช่วงเหรอเจ้าคะไดนทั้งสองอย่างแล้วแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เบรกได้ก็ เป็นการทดสอบจิตใจว่าเราจะอยู่กับสู้กับทุกขเวทนาได้ไหมเวลามันเจ็บแล้วก็ไม่ลุกไม่ขยับนี่แต่ถ้าแบ่งเป็นช่วงๆพอคนเจ็บแล้วก็เลิกอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ได้ผ่านเวทนาโอ้โหเจ็ิบหกถึงเจ็ดชั่โมงก็ค่อนข้างนานแต่ว่าก็คงต้องมีกําลังเยอะๆใช่ไหมเจ้าคะก็ก็ดูกําลังของเราทำได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนเหมือนวิ่งมาราธอนน่ย คนต้นเราวิ่งเต็มไม่ได้มาเราทอนกนอาครึ่งมาเราทอนหน่อยเจ้าค่ะเข้าไปแล้วเจ้าค่ะก็เพียงพยายามต่อไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคขายต่อเอ่า ค, คุณวิไลน์ไม่ทราบว่าจะจะพูดไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องคงยังไม่ต้องการจะพูดนะย้อนไปที่คุณจลินทร์อทอนจรินทร์ทอ แ <Mary> มรีแลนด์กลางนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ<ม>ก็วันนี้สบายดีเจ้าค่ะไม่ไม่มีคําถามอะไรเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเรื่องกระทบใจอ่ะค่ะหรือว่าถ้ามีก็สามารถเราธรรมะมาประยุกต์ใช้ได้มันก็แล้วมันก็ไม่ถูกใจค่ะออก็เลยไม่มีคําถามค่ะคระอามันมีบัฟเฟอร์ถ้ามีธรรมะ ก, ก็เหมันมีบัฟเฟอร์ ค่ะพอถ้ารู้สึกเจ็บก็รู้สึกว่ามันก็ก็ต้องทนมันมันก็ทนได้อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ามีอะไรไม่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องกา ร, เ, ารเราก็ร้ว่านันมันก็เป็นเช่นนั่นแหละค่ะอาจารย์มันก็เลยไ ม, ไม่ไม่มีอะไรค่ะ ก, ก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์อืมในชีวิตเร า, เราต้องมีการสัมผัสทั้งสิ่ง ท, ที่ที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่ใจของเราไม่ต้องไปยินดียินร้นยนายกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบให้รู้เฉยๆไปค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเรื่องรับประทานอาหารก็เหมือนการยมอันนี้ยมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคะ่ะเหมือนกับว่าพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความต้องการของเรามันลดลงใช่ใจมันอิ่ึ้นไใจมันมีความสุขมีความอิ่มมันก็เไม่หิวอาหารอะไม่หิวอาหารไม่หิวการไปเที่ยวไม่หิวการไปชอปปิ้งอะไรต่างมันจะลดลงไป ใช่ค่ะทุกเรื่องเลยจนโยมประหลาดใจว่าทําไงเราข้าวก็ไม่ค่อยกินเที่ยวก็ไม่อยากไปเข้าของก็ไม่ได้อยากซื้อเรื่องลูกก็ปล่อยปล่อยเรื่องของเขาใจเ ร, เราไม่หิวใจเขาไม่หิวพาพาจารย์เราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆะอะค่ะพาจารองแล้วจนจนกระทั่งวันที่โยมสามารถออกมาปฏิบัติได้อย่างจรงิงจังคือจริงๆแล้วยมก็รอวันนั้นนะคะทุกวันนี้ก็รอวัน ดีก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนี่้เดี๋ยวไม่รู้เป้ามาของชีวะเราจะทำอะไรต่อค่ะกลบขอบพระคุณพระอาจารย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้พระอาจารย์พขันแข็งแรงนะคะสาธุไปที่เพื่อนบา้านคุณจิ๊บเลยอยู่ ใ, ใกล้กันจิ๊บแม่ แ, ลแกลานงานวัฒนธรค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีจ้าก็ ก็เมื่อกี้สลินทอมบอกไม่ค่อยหิวยมก็ตอนนี้ยมทำยมแบบวันนี้ยมเมื่อวานนียมเริ่มทําเขาเรียกว่าอะไร water fasting อะค่ะถือไม่ดื่มแต่น้ำเดื่มแต่น้ำแล้วยมก็แบบตั้งแต่เมื่อวานได้หนึ่งวันจนถึงตอนนี้ยมก็ดื่มแต่น้ําแต่แบบมันมันเป็นการคือยมลั่นวาจาไปแล้วค่ะยมก็เลยแบบ ด hmm. มต้องแบบเออลองทําดูต้องมีสร้างวินัยให้ตัวเองสร้างสัจจะให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดู hmm. ความความที่มีกิเลสเหมือนเมื่อกี้สลินฮอนบอกเขาไม่หญ่น้อยมันไม่มีความรู้สึกหิวยมก็เลยมองว่าโอเคแล้วดูซิว่าตัวเองจะมีความอยากอยากกินอยากแบบอยากเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเห็นเขาบอกว่า water fasting เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรารีเซ็ตระบบในร่างกายได้บางส่วนนะคะคือช hmm. ่วงนี้ ยมก็เลยว่าเอองั้นเราก็ลองดูถึงตอนนี้มันก็ไม่ค่อยหิวแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าพอวันละมันหิวปุ๊บยมก็จะแบบปวดท้อปวดท้องแบบพี่พระอาจารย์อนใ ช, ใช้สมาธิใช่สตินะดีกว่าใช่ใช้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีในการฝึกสมาธิด้วยเวลาเราทําอดอดข้าวดื่มแต่ น, นะะ้ำค่ะมันมันยมก็เเออมันช่วยจริงๆแล้วมันก็เข้าสมาธิเร็วมากด้วยแบบที่พระอาจารย์บอกถ้า ยิ่งเราทานน้อยมันก็จะยิ่งมีสมาธิมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยมก็เลยแบบโอเคเหลือยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลอาทิตย์หน้านะคะพระอาจารย์ว่า <ไป S 2> ว่ามันบ่อยๆพยายามอดบ่อยๆค่ะก็กล่าวว่าเหมือนกับน้องคนก่อนหนะ้าที่บอกว่าจะสื่อสินแปดวันอาทิตย์นะคะยมก็เลยอมองว่าโอเคถ้าวันนี้เราผ่านสามวันไม่ดื่มไม่ไม่ทานอาหารได้แสดงว่า สิบแปดที่ต้องกินแค่ถึงเที่ยงเราก็ต้องทำได้อะไรอย่างนี้ได้ไม่ไม่น่าจะยากถ้าเราได้ทั้งสามวันใช่เจ้าค่ะก็เลยมารายงานพระอาจารย์ว่าถ้าเปิดผ่านวันนี้ไปก็สัจจะบารมีที่โยมทำได้สามวันก็ขอถวายพระอาจารย์นะคะอยินดีด้วยนะยินดีต่อความพยายามจะพยายามต่อพระอาจารย์ฝึกสมาธ กับนบมัสการข่าวประจารย์พาดหา ง, งแข็งแรงพาหน้าตาจะได้เป็นลูกไข่มากขึ้นหน่อย oh <my> ตอนนี้เป็นล ก, นลก oh <my> ตอนนี้เป็นลูกบองมากกว่า <laughs> ตอนนี้มันเป็นแบบว่าลูกบอลที่มันมี <laughs> เป็นสามชั้นมองไม่เห็นคอแล้วประจันตอนนี้หนาวด้วยยอมเลยใส่มนอย่างเงี้ยอืมเลยแบบว่าไม่กล้าเดินตอนกลงคืนแล้วถือไฟฉายด้วยมันก็จะกลายเป็นดีนะฝรั่งไม่เชื่อเรื่องกระสือย ลาวิสานคาวิสานไปที่ไต้หวันต่อป็นคันจินตามนัดมาสการครับอาจารย์อ่างปไงหนาวไหมตอนนี้เริ่มหนาวนะครับเริ่มหนาวเงี้นเครับมีอะไรไหมก็ มีครับพระอาจารย์มีวันวันนั้นผมฟังพระอาจารย์เทศนาธรรมแล้วผมนั่งในท่าสมาธิฟังรู้สึกว่าไม่มีตัวผมไม่มีตัวเราครับเนี่ยจิตสงบแล้วโตัวตนก็จะหายไปชั่วคราวครับแต่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เทศนาธรรมเอาใส่ ไ, ไว้แล้วนั่งในท่าสมาธิแต่ว่าไม่เห็นตัวตน ออไปครับจะได้ยินเสียงพระอาจารย์ครับอืมดีจะได้รู้ว่าตัวตนไม่มีร่างกายครั บ, รบเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดนะครับรอาจารย์โอเคนะมีท่านี้นะครับ อ, รอาจารย์ครับที่น้องใบยกใบยกมุกไม้ภูผามาเล่นครบทีเมื่อ่าน ไปไมก่อนจะใไมใหรือยัง um, อันนิ้วอ๋อแาบนมิสาการาค่ไมอนไม่มีอะไร ค, ะคะ่ะกปรับแบบความคุค่าค่ะอ๋อหมีคำถามค่ะอ็คืออ๋ออ๋อม๋ออวอา๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อบ๋ออ๋ ปวแบบว่าเวลาหนูออกกำลังกายเราต้องยืดตัวเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากทําแต่ว่าหนูต้องทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําต้องแบบว่าอดทนยังไงนะคะว่าเฉยๆไปทาใจเฉยๆอย่าไปคิดว่ามันเจ็บมันไม่เจ็บมันไม่ได้บอกว่ามันเจ็บนะเราไปบอกว่าเราเป็นคนไปบอกว่ามันเจ็บเองแบ้แค่แค่ ขอให้หนู่ตาเอ่อร่างกายแข็งแรงแล้วกอ็อายุมันขอยยืนะส็ช้าพค่ะใครเนี่ยที่มาที่หลหนนี่ใครมุกงไม้นะอู้พาร์ตค่ะอู้พาร์ อ, อกล้วบางทีบางีถามเป็นใครเป็นเป็นใบห ย, ยกอะ ใช่อ๋อนี่นี่นี่มุกหมายเลยคนได้อ่อืไงสบายดีกันทุกคนนะสบายดีสบดีัดตั้งใจเรียนหนังสือกันนะทำตาบ้านทำให้เอาทำเกิบดีดีนะี่สาธุจะขอเชิญคุณนัทธวุฒิ น้องพี่นัทวุฒิรบาร์เมื่อกี้เห็นภาพอยู่ปป๊บนึงนลองพี่นะอยู่ที่ไหนครับทวายความเขาล็กครับอยู่จังหวัดนราชบุรีครับอืมบวชมานานไหมยาัาพราที่สี่ครับอาราที่สี่พรรษาที่บวช ไ, ไปเรื่อ ย, อยๆใช่ไหมครับอันเต พ, พอดีผมจะมีคำถามลองถามได้เลยผม เออแป๊บหนึ่งครับคือที่บ้านผมมีโยมพ่อยมแม่อยู่สองคนครับแล้วผมเป็นลูกคนเดียวผมบวชอยู่แล้วผมศรัทธาแล้วก็ยังพอใจในเพศรักบวชอยู่ครับแต่โดยหนึ่องว่าที่บ้านมีแค่โยมพ่อกับโยมแม่ผมก็เลยเนึง ถ้าคิดว่าสมมติถ้าเราตายไปท่านก็ต้องอยู่ของท่านเองนะใช่ไม่มถ้าเกิดเราตายไปท่านจะทํำยังไงนะถ้าท่านยังตอนนี้ท่านดูแลตัวท่านเองได้อยู่ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเราปล่ท่านดูแลตัวท่านเองไปถ้าท่านดูแลไม่ได้เราก็เอามาอยู่วัดก็ได้เอาพระพุทธเจ้าอนิ ญ, ญามให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ให้อาหารมิณฑบาตนีม้มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ถ้าจําเป็นจะต้องดูแลพ่อแม่ เข้าใจั้ยครับหลวงตามหาบวญหลวงตามาบวญก็เอาโยมแม่มามาบวชชีอยู่ที่วัดนยถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไปอะไรก็ถ้ามาอยู่วัดก็ให้มาบวชเป็นชีบวชเป็นเป็นภาคขาวไปก็ได้แล้วก็อยู่วัดไปครับ ไม่ต้องไปกังวลเลยนะชีวิตของเราก็ต้อ ง, อ ง, องก็ดูแลแบบอัตตาอิอัตโนนาโธอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่กระตันอยู่นะแต่เราบางทีเราก็ต้องมี<ะ>ภารกิจของเราที่เราต้องทําการปฏิ บ, บัติธรรมนี่เป็นภารกิจที่สําคัญมากแต่ถ้าต้องดูแลพ่อแมก่ก็ดูแลแบบแบบนี้แหละเอามาอยู่วัดามาถือศีลแปดอยู่วัดกัน อาหารบินฑบาตที่เราได้มันก็เอามาแบ่งให้พ่อให้แม่กินได้เพราะพระเจ้าอนุญาตมีอะไรไหมโอ้ก็ครัผมก็ตอนแรกก็คิดว่าจะบวชไปเรื่อยครับแต่ตอนนี้ใน ใ, นใจมันก็มีความคิดออกมาครับว่าบางทีก็อยากอยสละเพศ ไปดูแลพ่อแม่มลแล้วไปแล้วมันไม่ได้ไปดูแลแต่ไปได้มียอาสัตแทนมากกว่าบครับส่วนปนิม่วงได้ก็ถือว่าเก่งควรจะอยู่ต่อทาประโยชน์ให้กับศาสนาได้อยู่ไปก่อนอย่าไปกังวลอย่าไปตีตนกอดใช่ไหมพ่อแม่เขาก็อยู่ของเขาได้ครับ นอกจากว่าท่านก็เป็นอะไรที่ช่วยตัวเ้าเองไม่ได้แล้วก็จะต้องเข้าไปดูแลได้แต่เราก็ไม่ต้องลาสิกขาหรอกเป็นพระก็ดูแลพ่อแม่ได้มีอะไรไหมไม่ไม่มีครับโอเคเอาท่านนี้ก่อนนะนนรครับผมนามสกาลครับอ่าดูเอาไปที่คุณฟ้าต่อฟ้าฟ้าอยู่ที่ไหนซานฟ้าเนะือ กลับมานัสการค่ะหลวงพ่อค่ะอยู่ที่ซันโดโรซาค่ะเป็นแบกเกาดูมันสวยดีเลยอมาตั้งแต่ซันโดโราอยู่แไหนั่นที่ซโนมาคาลตี้นี่แหละค่ะว่าใกล้ใกล้ๆกับซานฟานนะค่ะค่ะย้ายจากมอนเตเรมาอยู่ที่นี่ค่ะมอนตเรียแต่ก่อนเข้ามอนติเรียค่ะมอนเตเรียอยู่ที่ไหน ในป่าค่ะเคยเข้ามาคุยกับหลวงพ่อสองปีตอนโควิดอะค่ ะ, ะเริ่มหายดีก็เลยต้องไปทำงานต่อค่ะหลวงพ่ อ, อเลยหายก็เลยเข้ามากับมานาตการหลวงพ่อค่ะมีคำถามในการปฏิบัติธรรมและการใช้ชีวิตประจำวันในขณะทำงานนะคะหลวงพ่ อ, อเชิญเชิญถามได้คำถามที่หนึ่งก็คื อ, อหนูก็ ถ้าเวลาทำงานหนูอยู่กับคนไข้อ่ะคะ่ะแล้วเขาเจ็บป่วยใช้เวลาประมาณสองปีที่หนูดูแลแต่ละเคสอ่ะคะ่ะจนล่าสุดคือมีการคือหนูกำลังกาหนดตลอดนะคะหลวงพ่อคือดูพิจารณาสังขารแล้วมันเกิดปัญญาเหมือนกับว่าโลกเนี้ยมันมันไม่มีอะไรดีไปกว่าพระธรรมแล้วก็คำสังสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะคะ่ะ แล้วหนูก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันน้อยนิดมันเหมือนกับมัวทำอะไรอยู่แล้วลโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากกว่าไปมากกว่านี้ค่ะความความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในท้ายที่สุดมันก็คือมันก็ไม่พ้นนิพพานไม่มันไม่มันไม่พ้นหรือมันไม่พ้นสังสารวัฏอะค่ะคือนั่งพิจารณามันมันจุดจุดนั้นแล้วมันรู้สึก ทุกมันมันมันก็ทิ้งไม่ได้อะคะ่ะหลวงพ่อมันติดมันติดมาจนถึงทุกวันเนี้ยคะ่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนําข้อนี้ให้หนูปฏิบัติต่ตอไปยังไงคะ่ะกับบรรษักางค่ะ่าถ้าเราตอนนี้ถือว่าเราโชคดีนะเนี่ยมาเกิดในยุคที่มีผู้นําหยู่พระพุทธเจ้าเพราะธรรมพระสงค์ที่จะนําำลาภออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอื ดัง น, นั้นเราควรรีบเร่งศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติว่าเราต้องทำอะไรบ้างถ้าเร า, าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดพระุทเจ้าก็าสอนให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาค่ะคือทำทา ท, ทุกอย่างสามอันตลอดอะค่ะหลวงพ่อแต่มันก็เหมือนกับว่า มาเรามัวแต่ยุ่งอยู่แต่ทางโลกมากกว่าทางธรรมแต่หนูก็ลาทิ้งหน้าที่การงานและไปบวชยังไม่ได้อะคะ่ะเพราะมันต้องรอเวลารีไทานัมนนะคะเราตอนที่ลดลดการทำงานให้น้อยลงได้ไหมเพื่อเราจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นหนูก็พยายามมาคะ่ะหลงพ่อแต่คนไข้เขาก็คือไม่มีคนดูและคะ่ะแต่ก็มมไม่มีเราไม่มีเวลาพักผ่อนมากนะ ก็มีค่ะแต่แต่น้อยอะค่ะเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยสบายแต่ตอนนี้กาลังทาเพิ่งผ่านใบได้งานอีกครั้งหนึ่งก็คือไปทําที่โรงพยาบาลมันก็จะมีเวลาเวลาที่เราเลือกกะได้อะค่ะหลวงพออ่อแต่พยายามอยู่อะค่ะถ้ายังหาเวลาไม่ได้ก็ทํมูลดำดานรักษาศีลห้าไปก่อนก็นแล้วกันค่ะค่ะหลวงพออ่อข้อที่สองก็คือคาถามที่สองคือหนูปฏิบัติธรรม เมื่อเวลาว่างเนี่ยค่ะแล้วแต่ไม่ได้สวดมนต์เลยเพราะรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับการทำสมาธิอะค่ะแต่หนูคารบในคาสวดมนต์นะคะแต่ว่ามันมันเหมือนกับจิตอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเดินแล้วก็นั่งสมาธิในขณะที่เดินหรือนั่งเนี่ยค่ะรู้สึกมันแน่นที่หน้าอกแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราเพ่งแต่พอพอถอยจิตออกมาแล้วมันรู้สึกว่า ตัวมันยังหนักอ่ะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนความรู้สึกมันหนักมันหนักอะไรก็ไม่ทราบมันหนักอยู่ที่กลางอกอ่ะค่ะหลวงพ่อเราเราเดินด้วยด้วยด้วยสติหรือเปล่าเราต้องมีสติเดินด้วยสติค่ะหลวงพ่อสติอย่างไรล่ะพุโทโธหรือว่าดูเท้าเราเอืมปกติคือการดูการเคลื่อนไหวอ่ะค่ะพองนหน่อ ย, ยุบหออ่ะค่ะเวลาเดินไม่ต้องเป็นดูยุบหนอพองหนอมันดูยากไ ม, ไม่ได้ดูค่ะดูเคลื่อนเคลื่อนไหวอ่ะค่ะ ดูที่เท้าดูที่เท้าต้องไปดูที่เท้าตอนเดินังกลงขาลงกรงซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะแล้วบางทีมันก็ดูพอมันดูมันพอเดินไปสักระยะหนึงอะค่ะแล้วมาดูที่ลินติ่มัอนกับมันดูที่จิตอ่ะค่ะแล้อย่าไปดูอย่าไปดูที่จิตจิตเรายังตจเยังไม่มีกําลังที่จะไปดูะจิดเรายังมีกําลังไม่พอมันมันเป็นผลที่จะทําให้เรารู้สึกกรดับขึ้นมา ดูที่ร่างกายดูที่การก้าวเท้าของร่างกายซ้ายขวาซ้ายขวาไปก่อนค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาเรานั่งก็เหมือนกันใช่ไหมคะได้เวลานั่งก็พุทโธแล้วดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกไปหรือถ้านจะดูลกยบหนอพองหนอก็ได้ค่ะหลวงพ่อคือพลังพลังจิตเรายังไม่พอที่จะดูค่ะใช่อย่าพึ่งไปดูจิตนะจิตมันเล่นมาแลาวมากค่ะหลวงพ่อ มีคำถามแก้เนี้ยค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุก็ขอหวังว่าพงยาบได้ปฏิบัติดีขึ้นไปตามลาดับนะค่ะหลวงพ่อแต่เย็นอย่าท้อถอยกันแล้วกันทําไปตามกําลังของเรานะทํามากทำน้อยก็แล้วแต่ค่ะสาธุค่ะโอเคแล้เสร็จวันนี้อาจารย์ถ้ยังเหลือคุณซันนี่นะคุณซันนี่ตอนนี้เป็นขอบถามไปแล้วเนี่ยคุยแล้วเราคุยแล้วนะฮะโอเคค่ะ อ่างั้นไปที่คุณคุ ณ, ค, ณคุณหล า, ม, า, ม, ม, ามีคําคถามมีคําถามคุณละมีคําถามทั้งหมดสิบสี่คำถามเจ้าคะ่ะค <ำ S 2> ําถามแรกจากคุณอัติชาติกลาบนมัสการพระคุณเจ้าครับธ ร, รมโโอสถ ร, รักษาโรคอะไรได้บ้างครับผมป่วยเป็นโรคจิตมาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีแล้วครับนี่แหละธัมมโอสดก็มีไวิธีรักษาโรคจิตโดยตรงนะ ไม่ว่าจะเป็นความซึมเศร้าความพุ่งสร้าบิโพลาร์ olar, PTSD เรื่องอะไรแล้วแต่โัวเหล่านี้เป็นโรคจิตที่มสมาโอสดคือสติสมาธิและปัญญาจะสามารถรักษาให้หายได้เราไปฝึกไปศึกษาวิธีเจริญสติพยายามฝึกสติมากๆแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบได้แล้วอาการของโรคจิตก็จะหายไปชั่วคราว แล้วถ้าอยากจะให้ไปถาวอนแล้วก็ไปศึกษาปัญญาใช้ปัญญาศึกษาปัญหาที่ทำให้เราสิมเศร้าเวหาที่ทำให้เราเป็นโลกวุ่นวายใจอะไรต่างๆพอเรารู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอนิจจังทุกขังแหน้าตาไปแล้นเราก็จะปล่อยวางของปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะหายหายจากโลกจิต มีสองคำถามจากคุณเอมออนค่ะคำถามแรกขออนุญาตถามค่ะผู้ที่บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ดวงจิตหรือผู้รู้อยู่กับบุคคล น, นั้นแต่เมื่อตายแล้วดวงจิตไม่ไปเกิดอีกเช่นไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วดวงจิตนั้นไปอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ในโลกทิพย์ที่เรียกว่าระดับชั้นพันธิพานนะคะ คำถามที่สองถ้าเรายกทรัพย์สินให้ญาติหรือหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลขณะที่มีชีวิตอยู่เราได้บุญเต็มร้อยแต่ก่อนตายเราทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ญาติหรือโรงพยาบาลจะยกทรัพย์สินให้หลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะได้บุญเต็มร้อยหรือไม่คะไม่ได้เลยเต็มศูนย์ถ้าจะต้องได้บุญต้องทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ คำถามต่อไปจากคุณปวีนามีน้องๆมัธยมปลายมาถามดิฉันว่าทำไมการนั่งสมาธิถึงได้บุญดิฉันจะตอบอย่างไรให้วัยรุ่นเข้าใจได้คะบุญก็คือความสุขใจนั่งสมาธินี้จะได้ความสุขใจที่มากที่สุดมากกว่าการทำบุญทาทานมากกว่าการรักษาสิ่ง มีคำถามจากคุณปียาลัตทั้งหมดหคำถามคะ่ะคำถามแรกที่ฉันได้ยินได้ฟังมาว่าการปฏิบัติด้านการดูสภาวะจิตของตนเองจนเกิดสภาวะจิตอิสระจะทำให้ไม่มีตัวตนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารวิธีการปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมคะ เ ป, เป็นการปฏิบัติข้ามขั้นตอนพรเจ้าสอนให้เราปฏิบัติดูความไม่มีตัวตนในร่างกายก่อนแล้วก็ให้ไปดูความไม่มีตัวตนในเวทนาหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปดูความไม่มีตัวตนในจิตอีกทีนะต้องผ่านขั้นร่างกายผ่านขั้นเวทนาไปก่อนถึงจะสามารถไปดูขั้นขั้นจิตได้ท่านข้อที่สอง ธรรมะใบไม้ในกำมือกับธรรมะใบไม้ในป่าเป็นอย่างไรคะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคําสอนที่พุทธเจ้าทรงนํามาสอนสอนสัตวโลกเนี่ยเป็นเหมือนใบไม้ในกํามือส่วนความรู้ที่พรุทธเจ้าทรงมีอยู่ในใจเนี่ยมันเป็เหมือนใบไม้ในป่ามีมากมายกายกองเพียงแต่ว่ามันไม่มีคําจําเป็นที่จะต้องเอามาสอนทั้งหมดสอนแต่วิธีการ ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วเขาผู้ปฏิบัติก็จะเห็นธรรมว่าต่างๆที่เหมือนใบไม้อยู่ในป่าเองคำถามต่อไปการปฏิบัติให้เกิดปัญญาต้องทําวิปัสสนากรรมฐานแนวทางเดียวหรือคะก็วิปัสสนากับปัญญาก็คําเดียวกันแต่ก่อนจะไปทางนั้นได้ก็ต้องผ่านสมาธิก่อนคําถามต่อไป การนั่งสมาธิควรมีจิตระดับไหนจึงจะเริ่มวิปัสสนาได้ต้องได้ดวงตาทิพย์ก่อนไหมคะต้องได้อปปนาสมาธินือได้อุเบกขาได้รูปฌปานสี่แล้ถึงจะสามารถไปเจริญทางปัญญาเพื่อละกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้คงถามต่อไปเวลาวิปัสสนา เป็นการคิดพิจารณาในขณะนั่งสมาธิหรือหลังจากถอนจากสมาธิค่ะต้องออกจากสมาธิก่อนถึงก็จะริญงของยาขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ให้ทำอะไรให้จิตสงบไปนานๆคำถามต่อไปทำจากขุ คือญาณปัญญาของพระอริยบุคคลเบื้องต่ําทั้งสามถ้าเราจะลองทําวิปัสนาในขณะที่เรายังไม่มีธรรมจักขุจะเป็นวิปัสนูกิเลสหรือไม่คะน้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมากมีสวัสก็แล้วแต่ว่าเราคิดไปในสูกทางหรือเปล่าถ้าเราคิดไปในทางตายลักคิดไปในทางอริยาาสัจสีก็ไม่เป็นวิปัสสนู คำถามต่อไปจากคุณจอยการใช้ชีวิตในทุกวันดิฉันจะฝึกดูความคิดดูจิตตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพลอบ้างรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างมีศีลห้าเป็นปกตินั่งสมาธิเกือบทุกวันเท่าที่จะสามารถทำได้สมัยก่อนนั่งสมาธิแล้วติดสุขติดสงบในสมาธิทำแต่ส ม, มถะค่ะตอนนี้ดิฉันเดินปัญญารู้ตามจิต ตามความคิดตามความเป็นจริงฝึกเป็นผู้ดูจิตแต่บางวันที่อยากทำสมถะไม่สามารถนั่งสมาธิได้สงบลึกเหมือนเดิมจะดีดออกมาตลอดคำถามคือการที่จิต ด, ดีดออกนั่งสมาธิไม่สงบลึกเป็นเพราะอะไรขอแนวทางแก้ไขและไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติในปัจจุบันที่กล่าวมาควรแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนบ้างคะ่ะ ก็เป็นเพราะว่าเราทำสมาธิน้อยไปแล้วสาเหตุที่เราทำสมาธิน้อยเพราะว่าเราไม่มีสตินั่งสมาธิมันก็เลยไม่สงบเราไปติดทางปัญญามากเกินไปนี่ต้องแบ่งกันคนละขึ้นต้องพยายามต้องเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราต้องการและเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้ว เ, เราค่อยมาอ่าดูดูไม่ใช่ดูจิตก่อนให้พระเจ้าบอกให้ดูล่างกายก่อน แล้วดูเวทนาแล้วค่อยไปดูจิตตามลําดับต่อไปดูเพื่อละทิเละละความผูกพันลอุปทานในร่างกายในเวทนาแล้วค่อยไปละอุปทานในจิตอีกทีนึงคำถามต่อเนื่องคือดิฉันขอการบ้านจากพระอาจารย์เพื่อฝึกตนเองต่อไปค่ะมาฝึกสติก่อนนะฝึกสติหยุดคิดให้ได้ก่อน จะใช้พุทโธก็ได้หรือจะใช้การดูร่างกายว่าขณะนี้ร่างกายกาลังทําอะไรอยู่เพื่อผูกใจให้อยู่กับร่างกายเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เวล า, เานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อิสสงบจิตก็จะมีพลังเราสามารถที่จะไปศึกษาแพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายของเวทนาและของจิตได้ว่าเป็นอะไร เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาหรือไม่มันคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาคำถามต่อไปจากคุณวัฒ ญ, ญาขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ต่างจากความรู้สึกปุเบกขาอย่างไรคะเพิ่งเริ่มศึกษาจึงยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเอ่อเวทนาคือความรู้สึกไงเวลาเราหิวข้าวมันก็ทุกข์เวทนา เวลากินข้าวอิ่มมันก็สุขเวทนาเวลาที่เราไม่หิวเราไม่อิ่มมันก็เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาโสมเบคานี่คือใจปราศจากอารมณ์รากชังกลัวหลงเห็นอะไรก็ไม่มีความยินดีละคายพูดอะไรก็ไม่ยินดีละเฉยๆได้ปล่อยวางได้ไม่กลัวไม่ไม่ไม่หลงอันนี้คืออสเบกขาคำถามสุดท้ายจากคุณขวัญ ขอกราบถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามว่าใจหนูเป็นทุกข์จะไม่ทุกข์จะทําใจอย่างไรคะท่านพระอาจารย์ต้องละเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เหตุที่ทําให้ใจทุกข์พระเจ้าบอกว่คาครูตันหาความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์เออได้มาแล้วพอสูญเสียไปก็ทุกข์เพราะอยากไม่ให้มันไปจากเราอยากให้อยู่กับเรา พอมันจางออกไปมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เรต้องหยุดความอยากสิ่งใดมันจะไปก็ปล่อยมันไปอยสิ่งใ น, นที่เรายังไม่ได้ก็อย่าไปอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์เหมือนแ้นโอเคเหมือนแล้วก็คิดว่าพอสมกวรแก่วเวลาก็นอกจากว่าใครมีปัญหาจําเป็นที่อยากจะถามก่อนจะปิดประชุม ก็ะยกมือเขึ้นก็ได้นะแต่คุณยอยิงครพระอาจารย์ย อ, อยอิงปิดท้ายเลยครับยอยิงว่ามาพระอาจารย์มีตอนเป็นเด็กอค่ะคุณครูเขาให้ฆ่าสาาัตว์ค่ะสั่งให้ไปซื้อสัตว์ชนิดหนึ่งมาฆ่าเพื่อทําการสตาฟเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะเราวิธีการฆ่ามันทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะต้องตายทั้งเป็นถ้าถ้าตายแล้วค่อยเอามาทำสตาร์ฟมันจะทําไม่ได้ หญิงทําไปแล้วหญิงบาปไปแล้วใช่ไหมเจ้าก็บาปไปแล้วคราวหน้าเราอย่าไปทําก็แล้วกันบ้าเอิดแล้วคอยรับผลบาปต่อไปเราคงจะถูกเขาจับไปสตารเหมือนกันนะโอ้พระเจ้ามีพี่ช่วยไหมเจ้าค่ะไม่มีหรอกนอกจากไปเป็นพระอรหันต์มันต้องกรรมเกิดเลยนะคราวหน้าก็อย่าไปทําเพิ่มก็แล้วกันมเตรียมตัวรับ ทำเขาได้ทำไมใช้ก็ทำเราบ้างไม่ได้โอหแรงมากเลยคอาจารย์ไม่ น, านนะ่าครก่อนจะทําไม่คิดก่อนเนี่ยไม่เคาครูสั่ง อ, อ่ะนั่นแหละครูสั่งแต่แล้วถ้ามันเป็นคําสั่งที่ผิดก็ไม่ไม่ต้องทําตามอาจารย์ไหมอาจารย์แก้ได้ทางเดียวเลยเหรอเจ้าค่ะอ่าก็หยุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยเหมือนว่ายตายเกิด อ้ายังต้องกลับมาเกิดอยู่ต้วันใดวันหนึ่งต้องถูกเขาจับไปเป็นสตาร์ทไปอาจจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์แบบนั้นก็ได้นะเพราะเขาจับสัตว์แบบนั้นไปสตาร์ทอืมขอบคุณอาจารย์ออกกิตติ้งพี่ปุ้ยลักเซมเบิร์กค่ะเพราะว่าอยากอยากเจอก็จะได้ไปค่ะแล้วก็กิตติ้งอ่อพี่ที่ให้คุกกี้พี่ปังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคอ่ไปดีกับเจนนี่มือหน่อย อาารอ่าในอขอตอนเนื่องจากคําถามของคุณยอยิงเมื่อกี้นะเจ้าคะ่ะอย่างองคุลิมาเนี่ยเจ้าคะ่ะก็คือท่านก็ไปนิพพานแต่ว่าในในชาติท่านปัจจุบันที่ท่านเดินบินทบาตเห็นมีบอกว่าโดนเห็นตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังต้องรับวิบากกรรมของตอนอย่างไม่เป็นเพาะพระพยยเจ้าก็มีพระเทวท่านมาพยายาม p ร o l ชีวิตถึงสามครั้งหนึ่งกัน แต่พอหลังจากที่ไม่กลับมาเกิดแล้วก็ <S <S วไม่มีใครที่ไปทำมาทําทําร้ายจิตตอนนั้นได้นะไม่อยากกลับมาเกิดจะไปขึ้นลอตเตอรี่ค่ ะ, ะ, ะไม่ใช่ค่ะอก็พระอาจารย์บอกว่าชาตินี้เราถูกรางวันที่หนึ่งแล้วก็คือได้พบพระพุทธศาสนา ต, ต้องขึ้นจ<ต>ะขึ้นรางวัลรี่ไปขึ้นรางวัลรี่ไปปฏิบัติทานศีลภาวนาคนะ่ะ โ okay. อเคต่อเลยคุณจาคุณจาต่อนวัส ก, การอีกรอบค่ะพระอาจารย์หนูมีคําถามต่อจากเมื่อกี้ที่หนูถามเรื่องบาปค่ะว่าถ้าสมมุติว่าอ่าการที่เราพูดจาไม่ดีแล้วมันทําร้ายจิตใจคนอื่นนะเราจะแยกแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ทําร้ายจิตใจมาจะแบบส่งผลอะไรแบบเนี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขา่าอยาก มันเป็นความอยากของเขาเองที่ทําให้เขาต้องเจ็บปวดนะคะอพราะมันคนละเรื่อง ก, กันคนละเรื่องนันเนื่องความอยากของเขาก็ของเขาถ้าเขาไม่อยากเขาก็ไม่ทุกข์กับวิบากกรรมของเขาอะไรอย่าง น, านาาี้วิบากก็วิบากก็ต้องเกิดกับเขาอยู่ดีชเช่นเช่าเขาเป็นพาาระหลานขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ทุกข์อย่างเช่นพระโมคคลานะก็ถูกเขาฆ่าตายท่านก็ไม่ทุกข์กับการถูกฆ่าตาย เ, เข้าใจแล้วคะ่ะสาทุค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคอ่านหน้าหมดแล้วนะสำหรับคืนนี้เด็กพอสมควรนะใกล้เวลาจะจบแนละ้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ